ตจากนี้ไปเป็นการอบรมทวารชาเรื่องกรรมกาละชีวิตและสังสารวัตรโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่21พฤศกิกายน2542ัา25ที่พุทธสถานสันติโอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นะบัด นี่พวกเราไปช่วยกันหน่อยเสียสละกัอคนละไม้คนละมือไม่ฉะนั้นแล้วรับศึกของพวกคนเขาจะมาคงไม่ไหวและคนนอกเราก็ไม่เอามันเป็นเรื่องของการพิสูจน์กำลังอันหนึ่งนะพิสูจน์กำลังหรือ ว, ว่าเราจะ ไปข้างหน้าได้หรือไม่หรือว่าเราจะสู้กับทุนนิยมเขาไหวไห ม, มนมาปกาศพิสูจนกันเพราะว่าตอนนี้นี่กระแสมันอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้มันแม่แต่ปีมันก็กำลังจะเข้าขั้งคอสอเขาก็ปุกระดมกันหรือว่าโอ้โหหือหากันจะเข้าปีสหัสวรรษที่สามนงั้นนะที่คนนับสหัสวรรษที่สามนี่สหัสวรรษก็คือพันหนึ่ง ทำไมมันเริ่มสามก็มันเพิ่งจะขึ้นพศสองพันทำไมมันเริ่มสาเขานับกันอย่างนี้เานับพอเริ่มต้นคศหนึ่งนี่เานับศาสตรวัสที่หนึ่งเริ่มต้นหนึ่งไปถึงพันหนึ่งเนี่ยเป็นศาสตสวรรษที่หนึ่งะพอขึ้นพันมาหาสองพันเานับศาสตร์สวสที่สองพอเริ่มพันเป็นพันอดศาสตรวัสที่สองนะพัอ พันสมาจนกระทั่งถึงพันเ้9รเินี่ยเป็นศาสตราธิสสองพระพขึ้น2 2 0 0 1ก็จะเป็นศาสรตราธิสสนี่มันจะขึ้น2 0 0พที่จริง2 0 0 1มันถึงจะขึ้นศาสตราที่3ามเพราะเขาเริ่มต้น1เป็นศาสตรษธิ่1สอกันพันพันเอซศารษ ท, ที่2 2 0 0อ ที่จะขึ้นศาสตร์วัติสามไอหนึ่งลงท้ายของทุกๆไอสังขยาเลขเนี่ยสิบเอ็ดร้1ยเ0็ดพันเอแต่ไม่เรียกกันไปเรียก11 101อันนี้ผิดผิดภาษาเขาต้องเรียก101อ็ดถ้า100กับ1ถ้า1000กับ1ก็ต้องเอียงเรียก1ันเ มันจะพันเกืบหนึ่งพันเอหมื่นก็เหมือนการลงท้ายหนึ่งของสังขยะเลขที่มีศูนย์ตามโสนิตร์กเรียกว่าเอเขาจังเรียกสหัสวรรษที่สามเพราะว่ามันจะขึ้น2 0 0พันแลกไปหา 2,000 ัที่จริงจะต้องไปถึง 2,000 ัถึงจะครบเรียกว่าตั้งต้นมาเป็น าศาสตราที่สมได้แต่มันก็ใจร้อนกันนะนะก็เรียกพอขึ้นสองพันก็นับเลยศาสตราที่ส า, า, สาก็เือหากันไอน้นไนไอ้นี่จะเปลี่ยนมันจะมเีเหตุการณ์ของ <c oughs> อะไรของธรรมชาติของอะไรตะไระหนมีอะไรต่างๆนานาแปรปรวนมีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆหมดนะสังคมข้างนอกเขาสังคมทั้งโลกก็เลยมีอะไรตะไระหนกันมากมายก็ดีเหมือนกันเน่ย เราก็มีเหมือนกันอันนี้จะว่าไปแล้วทุกอย่างนี่มันมันจะเป็นของมันะ่ะมันจะลงตัวของมันอย่างนั้นอย่างนี้ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าจะอุบัติพระโพธิสัตว์ใหญ่จะเกิดจะต้องมีเหตุการณ์นนนี่แม้แต่ธรรมชาติต้องมีแผ่นดินไหวต้องมีอะไรต่างๆนานาที่เป็นธรรมชาติใหญ่ๆต้องเกิดต้องเป็น มันไม่ใช่เพราะฤทธิเดชของอพระโพธิสัตว์ใหญ่นั้นฤทธิเดชพอเกิดมาแล้วก็ทำให้โลกนิสันสะเทือนไม่ใช่ไม่ใช่เพราะฤทธิเดชกําลังวังชาพลังงานพิสดารของโ พ, พธิสัตว์นั้นไปทําให้แผ่นดินต้องไหวมันไม่ใช่นะมันเพราะว่าเหตุการณ์นั้นมันจะต้องมาครบกันมันต้องมาตรงกันมันต้องออกมาพอดีกัน ซึ่งแต่นี้เป็นอจินไตที่บอกได้ยากนะที่อธิบายได้ยากมันจะต้องมาตรงกันมาลงตัวกันมาพร้อมกันอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเหตุการณ์มันจะต้องไปเป็นอย่างนั้นซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เป็นจริงอ่ะแล้วมันจะต้องเกิดอย่างนั้นอันนี้ก็มือกันน่มันจะมีเหตุการณ์จะมีนี่ก็ว่ากันไปมีคนถามอาตมาเทวดา เป็นยังไงแตโลกจะแตกแล้วเนี่ยหรือว่ามันจะเกิดเดือดร้อนกับวุ่นวายอะไรขึ้ น, นมาเนี่ยอาตมาก็ตอบไปทุกทีอ่ะบอกว่ามันจะแตกมันจะเป็นอะไรมันก็เป็นไปถ้าคนเชื่อชีวิตเนี่ยคือกรรมกับกาะละนั่นไม่มีอะไรชีวิตคือกรรมกับกาละนะถ้าเข้าใจว่าชีวิตคือกรรมกับกาละแล้วคุณก็ทำกรรมของคุณไปทุกกาละ ทุกเวลามันไปทําอะไรไม่ได้ทุกอย่างมันก็คือกาละโลกนี้ธรรมชาติทุกอย่างมันก็ไปกับกาละทั้งนั้นนลยมันก็คือกาละหมุนเวียนไปเดินไปเรื่อยๆถ้าเรามีชีวิตเราก็จะกําหนดจุดที่มันจะเวลาเนี่ยหรือกาละมันเดินไปเราเกิดมาเป็นคนเราก็มีาธาตุรู้ในจิตวิญญาณ จิวิญญาณธาตุรู้ของเราก็มากำหนดกาละเออนี่เราก็มารู้รู้ว่าเวลาผ่านไปผ่านไปผ่านไปถ้าเวลาปล่อยให้มันผ่านไปเฉยๆฉยมันก็ไร้ประโยชน์ไร้คุณค่าไร้การพัฒนาไร้ความหมายอะไรทั้งนั้นเน่เวลามันผ่านไปแล้วก็ไม่ได้เรื่องอะไรจริงๆแล้วถ้าเผื่อว่าคิดให้ลึกพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้วชีวิตของคนเนี่ย ถ้ามันไม่มีอะไรเลยนะวันนึงก็ผ่านไปวันนึงก็ผ่านไปผ่านไปเฉยๆโดยเราไม่มีอะไรเลยไม่ทําดีไม่ทําชั่วมันก็คือศูนย์เปล่าแล้วศูนย์เปล่าไปกับกาละโดยไม่เกิดคุณค่าไม่เกิดอะไรเลยเพราะฉะเราเกิดมาแล้วเป็นชีวิตเราน่าจะต้องมีอะไรที่พัฒนามีอะไรที่ดีมีอะไรที่เกิดเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ขึ้นมา เพราะถ้าปล่อยให้เวลามันสูดเปล่าไปก็เท่ากับเรามีาธาตุรู้ที่งงโง่าธาตุรู้ที่เสียเวลาแล้วเราไม่เสียเวลาเปล่านะเราต้องกินเราต้องใช้ก็คือเปลืองอะไรโลกเขาอย่างน้อยก็หนักแผ่นดินอยู่ตรงนี้หนักแผ่นดินอยู่เฉยเฉยอะแล้ ว, วกินหายใจเอาอากาศก็เข้าไปสังเคราะห์ร่างกายก็เอากินใช้ ใช้อะไรอาศัยอะไรก็แล้วแต่เราก็เปลืองเปลืองสิ่งที่เราใช้เราอาศัยนั่นไปเราเปล่าปี้ปี้ขาดทุนคิดให้ลึกซึ้งเราไม่ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยพอลัทธิหรืสีลัทธิที่อยู่เฉยเฉยลัทธิที่ปล่อยให้เวลาผ่านไปผ่านไปเฉยเจึเป็นลัทธิที่เปล่าได้เป็นลัทธิที่ทําลายเป็นลัทธิที่ไม่เข้าท่าอะไรเลยแต่ก็ยังดีกับคนทําชั่ว มันศูนย์เปล่าเฉยๆแต่ก็ดีกว่าคนทําชั่วมันขยันขยันทําชั่วอย่างพวกนักการเมืองหรือพวกนักผลานบ้านผลานเมืองนักทําร้ายทําลายอะไรวางแผนแต่จะทำพัดไอจะเอาเปรียบเอารัดจ่อะไรใจต่างๆนานาพวกนั้นมันยิ่งเป็นเป็นภัยต่อคนอื่นเป็นภัยต่อโลกเป็นภัยต่อสังคมเป็นภัยต่อธรรมชาติเป็นภัยต่ออะไรหมดคิดวางแผนจะต้องทําลายนั่นทําลายนี่อะไรอะไต่างๆนานา ไในกรอบก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อผู้อื่นต่อสิ่งแวดล้อมต่อธรรมชาติต่ออะไรอื่นๆที่ว่าเราเกิดมาเราควรจะเป็นคนรังสรรค์เป็นคนสร้างสรรค์เป็นคนที่กรอบก่อเป็นคนที่ไม่ใช่เมาทําให้มันเปลืองให้มันพลานใมันเสียหายไปเรามีชีวิตเท่านี้เรากินเราใช้อาศัยเพื่อที่จะให้คําหน้าเนี่มันตั้งอยู่ดําเนินไปอย่างดีเราใช้เท่าไหร่เราก็ควรจะมีกรรม กิริยาการงานให้มันเกิดกรอบก่อคุณค่าขึ้นมาท่วมที่เรากินเราใช้เราเอาศัยเป็นอย่างน้อยถ้าเราทําได้มากมากๆมากๆเป็นประโยชน์คุณค่าให้คนอื่นให้แก่โลกเราเกิดมาในโลกอาศัยโลกก็ตอบแทนโลกตอบแทนธรรมชาติตอบแทนบุญคุณอะไรอะไรที่มันจะควรจะเป็นจะดี จะเกิดพัฒนาอะไรขึ้นมาให้คนอื่นก็ได้อาศัยสัตว์โลกก็ได้อาศัยได้ใช้สอยได้เป็นประโยชน์อันนั้นก็เป็นคุณค่ามนุษย์อย่างนี้เกิดมาเท่าไร่เท่าไร่จะหมุนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี่อีกนานเท่าไหร่ก็เป็นสมบัติที่มีค่าอยู่ในโลกใครสมรรถนะสูงเท่าไหร่มีปัญญารู้จักการที่จะคิดอ่านสร้างสรรอะไรอะไรให้ดีให้เป็นคุณค่าประโยชน์ได้มากเท่าไหร่ก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐเท่านั้นเท่านั้นเป็นคุณค่าทั้งตน และโลกสัตว์โลกทั้งหลายทั้งหลายนี่สรุปง่ายๆว่าชีวิตของคนคืออะไรชีวิตของคนเกิดมาก็ต้องคำนึงถึงอย่างนี้เพราะคนเราที่มันไม่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ามันไม่รู้จักการเสพติดเสพสมสุขสมไปเสพเรื่องของกามรูปรดกลิ่นเสียงสัมผัสทวารห้า ไปสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ไปหลงตามเขาเห็นอย่างนี้เอออย่างนี้น่าได้น่ามีเอามาได้สมใจเ <c oughs> อามาสัมผัสเศษสีเอามากอบปาโกยมหอบมาหาให้แกะตนเองเป็นของกูเป็นตัวกูของกูเป็นอัตตาอัตตนิยาโลภโมโทสันเอามาอะไรที่เราไม่ชอบใจเราก็จะพละลานทำลายจัดการมันให้มัน ตายไปต่อหน้าต่อตาให้มันสูญสลายไปต่อหน้าต่อตาให้มันหมดไปต่อหน้าต่อตาให้มันเจ็บปวดให้มันทุกร้อนสะใจสมใจอะไรต่างนานาก็เป็นอีกแนวหนึ่งอีกอันหนึ่งจิตของคนถ้ามีแรงของโลภกับโกรธอย่างนี้เป็นตัวทำลายหรือเป็นเป็นตัวที่จะกอบโกโลบโมโทสันเอาเปรียบเอารัดเขาอยู่ในโลกคนนั้นก็กาะก่อกำเวร ในวัฏฏะรงสารนี่จะต้องทดแทนกันไปเป็นกรรมเนี่ยนะเกิดมาดีเกิดมาชั่วเกิดมาตกได้ดีตกยากเกิดมาผิวพันธ์ดีผิวพันธ์ซามนะเกิดมาสู่โคตรที่ดีโคตรที่ไม่ดีชื่อนั้นนามนี้อะไรกันแล้วแต่ก็เป็นวนเวียนอยู่ในนี้วนเวียนอยู่ในวัฏฏะทรงสารเนี่ยนะถ้าเผื่อว่าเราทําบาปทาชั่วมากเกิดมาโคตรคราวนี้ก็คือเป็นโคตรของสัตว์ชั้นต่ํา นี่มันตนได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ในเรขาน ช, ชนิดนั้นชนิดนี้ก็วนเวียนเกิดมาอยู่องนั้นน่ะจนกว่าจะกี่ชา ต, ตอกี่ชาติก็จะใช้หนี้หมดก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาเกิดมาได้ดีขึ้นมาหน่อยแต่เข้าสู่โคดนั้นโคดนี้ชื่อนั้นชื่อนี้อะไระดีไม่ดีเกิดมาได้แค่ไปเป็นหมายังไม่พอยังเป็นหมาหัวเน่าอีกเป็นหมาขี้เรื้อนอีก ก็แล้วแต่กรรมวิบากของใครของใครหมาเนี่ยมันไม่รู้ตัวมันหรอกมันไม่ฉลาดพอหรอกว่ามันจะต้องรักษาป้องกันตัวมันว่าอย่าไปเป็นขี้เรือนนะอย่าไปเอาโรคขี้เรื้อนมาใส่ตัวเองนะหมามันไม่ไม่มีปัญญาเหมือนคนขนาดคนแท้ๆยังไม่รู้ตัวย่าไปหาโรคมาใส่ตัวหาเรื่องมาใส่ตัวได้เยอะจะขนาดเรียนรู้สอนกันนะครูบาอาจารย์าศาสดาอะไรก็สอนนอยังโง่เลย มันจะเอามาใส่ตัวเลยเพราะนะั้นหมาเนี่ยมันไม่รู้ตัวหรอกมันไปตามกรรมวิบากเพราะหมาตัวนี้มันจะเกิดมาเป็นหมาขี่เรือนมันไม่รู้หรอกมันไม่ระวังตัวหรอกคนเรานี่ยังไม่ค่อยระวังเลยแล้วหมาขี่เรือนมันไปรู้หรอว่ามันจะไปต้องไปได้อย่างงี้นะมันไปอย่างงี้มันจะต้องระวังนะไม่งั้นมันจะติดขี่เรือนนไม่รู้ตัวหรอกนั่นคือกรรมคือวิบากของมันแท้ๆนะ เพราะนกเลืกกรรมเวิบากเนี่ยถ้าเผื่อว่ามันไม่มีจิตวิญญาณที่ดีแล้วก็พยายามที่จะปรับตัวจิตวิญญาณอะไรให้ดีแล้วไม่มีทางที่จ ะ, จะเจริญพัฒนาได้พวกเราเนี่ยมาถึงขณะนี้พัฒนามาเรียนรู้มาได้เข้าใจถึงสัจจะคือความจริงที่ประเสริฐเรียกว่าอริยสัจเข้าใจ สัจจะคือความจริงอริยะก็คือประเสริฐความจริงที่มันมันเหนือชั้นกว่ามนุษย์ธรรมดามาจนมาขณะนี้แล้วได้ยินได้ฟังมาได้ศึกษาสิ่งที่ดีงามสิ่งที่มันเป็นคุณค่าจริงๆแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ากระแสมีสิทธิ์ที่จะไปเป็นผู้ที่สุดยอดของความเป็นมนุษย์เทตมายกตัวอย่างให้ฟังเสมอไปคิดดูดีๆถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ทบทวนดีๆว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะ โอ้โหทำให้คนเราในมีทิศทางของชีวิตอย่างแม่นแม่นยํามั่นคงที่อาตมาบอกคุกทีว่าพระพุทธเจ้าก็คือคนคุณฟังแล้วเข้าใจแค่ไหนเนี่ยแล้วท่านก็เป็นคนที่เกิดมาวนเวียนเกิดมาเป็นจิตวิญญาณตัวหนึ่งจิตวิญญาดวงหนึ่งเสร็จแล้วก็สสแสวงหามาจนกระทั่งมาได้รู้สิ่งที่ประเสริฐมาในรูกกระแสอาริยะก็คนเร า, าต้องหมัก จางเงียนะมันต้องมาเป็นคนอย่างเงียนะถึงจะเป็นทางประเสริฐแล้วท่านก็สะสมศึกษาจนกระทั่งพบพระพุทธเจ้าแต่และองค์แต่หลวงท่านก็สอนถ่ายทอดนนี้แหละทางประเสริฐแล้วก็มาสั่งสมไม่จนกระทั่งมาบรรลุโสดาสกิทาอนาคาอารหรันบรรลุโอ้เป็นคนดีอย่างนี้เพราะ ก, กี่ช้ข้าขชาติเกิดมาท่านก็มีบุญต่อเนื่องเพราะกรรมวิบากมันต้องต่อเนื่อง ชาติแล้วชาติเหล่าสั่งสมมาจระทั้งสุดท้ายบรรลุอรหันต์แล้วท่านก็บอกโอ้โหมีทางรอดอรหันต์ก็คือจะปณิพานไปเลยไม่ต้องมาวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้อีกก็ได้แล้วจบแกเอาเถอะศึกษาต่ออีกสิว่าเป็นคนที่มีทางรอดก็คือเป็นพระ อ, อรหันต์ที่นี้ไม่เท่านั้นไม่ต้องเห็นแก่ตัวแต่แค่ได้อรหรันต์นั่นก็เลิกไปศึกษาต่อสิ ไอ้เป็นคนจริงๆเนี่ยมันจะประเสริฐสุดยอดเก่งที่สุดวิเศษที่สุดดีที่สุดเกิดมาเป็นคนนี้มันจะยอดคนจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าเกสั่งสมเป็นพระโพธิสัตว์ไปอีกเรื่อยๆโลกวิกรูรู้ในโลกสร้างกรรมสร้างวิบากให้เป็นกุศลขึ้นไปสั่งสมกุศลวิบากไปอีกๆๆๆเป็นระโพธิสัตว์มหาสัตว์ไปเรือๆๆๆ่อยๆมีความดีความเก่งความวิเศษความประเสริฐสุดยอดไปสั่งสมไป อ่าสำหรอกกรรมต่างๆต่อไปอีกอเพราะว่าคนเราเกิดมาที่ต้นานนท่านระลึกชาติแล้วไปตรงไหนในในในตะลึกแล้วก็ไปเจอที่ต้นของเหตุการณ์เกิดโอ้โหมันที่ต้นตรงไหนไม่เจอรู้จักแต่ที่ปลายที่เลือกเลื ก, เลกล้มกันที่ปลายจะทำได้แต่ที่ต้นขาดหาไม่เจอเพราะงั้นจะไปสาวไปถึงกรรมวิบากตนๆก็ไม่ถึงแต่เรารู้แล้วว่ากรรมวิบากเป็นอย่างไร กุศลเป็นอย่างไรอ ก, กุศลเป็นอย่างไร ล, ลึกซึ้งละเอียดไปถ้ากิดหยุดกรรมที่ไม่ดีพัฒนาให้กรรมดีให้สร้างเป็นวาสนาบารมีไปจนกระทัามาเกิดเป็นชาติสุดท้ายเป็นพระพุทธเ จ, จ้าจะตรัสรู้เป็นพุทธจเจ้าก็เอาละประเสริฐที่สุดขนาดนี้หละมนุษย์เก่งที่สุดวิเศษที่สุดเลิศกว่าเดมนุษย์ใดๆเขาจะมีอิทธิิลปาฏิหาริเขาจะมีอเทศนาปาฏิหาริจะมีอนุสาสนีคําสอนที่เยี่ยมยอด เต็มไปด้วยอัตถธรรมะนิรุติปฏิภาณอะไรขนาดนันท่านก็ได้หมดรู้หมดยอดหมดแล้วขนาดนั้นยังสำ ROC ก, กรรมไม่หมดเลยกรรมมีบากที่เป็นอกุศลยังตามมาให้ท่านได้รับทุกตามวิปปากระทุกตัวนี้เรียกว่าวิปาวปากระทุกใช่ไหมวิปปากระทุก ทุกตัวตัวหนึ่งอ่ะทุกลักษณะหนึ่งอ่ะซึ่งเปก็เป็นทุกซึ่งเป็นนิบากที่มันตามมาคิดดูซิสั่งสมไปกุศลไปขนาดนั้นก็อยากเป็นนะแต่พูดถึงว่าคนมีคุณค่ามีประโยชน์เป็นคนสูงสุดอย่างเนี้ยทิศทางเนี้ยอย่างเนี้ยคุณจะเชื่อไม่เชื่อกัแล้วแต่ศาสนาอื่นแล้วกระฟานเขา้ า, ขเขาไปไปอยู่กับพระเจ้าแล้วก็ไปอยู่ยังไงไม่รู้นอ พยายามชาตินี่ก็พยายามทําตัวเองให้ดีแล้วก็เกิดป่ตายแล้วก็จะได้ไปอยู่กับพระเจ้าแล้วก็อยู่ไปอย่างนั้นนิรันด์ไปเออมั น, ม, นมันตื่นเนละมันตื้นแล้วแล้วไปอยู่ทําอะไรกับพระเจ้าห่ะพระเจ้าก็สุขแล้วนี่จะไปทําอะไรกับพระเจ้าอ่ะไปอยู่ทํำไมกับพระเจ้าอ่ะอยู่ไปเฉยๆทาไมอะฮะอยู่กับพระเจ้าทําทอะไรฮะถามต่อเขาสิ เขาไปอยู่กับพระเจ้าแล้วเขามีงานอะไรทําแต่ทําไมต้องไปอยู่กับพระเจ้าแต่ทุกคนก็จะไปอยู่กับพระเจ้า <inte> ถ้าไปอยู่กับพระเจ้าทั้งหมดแล้วจะทําอะไรแต่ทุกคนก็เป็นสุขแล้วอาอยู่กับพระเจ้าว่าเป็นสุขคือมันตื้อๆมันไม่มีเหตุผลอะไรต่อไปเท่าไหร่แต่นี่มันชัดของพระเจ้าเนี่ชัดเส้อพระเจ้าทุกคนเกิดมาเจออย่าว่าแต่พระเจ้าเจอเลยอัตมาก็เจอาศาสนาเป็นเทวานิยมที่เป็นอย่างนั้นอย่างอัตมาก็เจอมาไม่รู้กี่ชาติ พวกคุณก็เคยเจอมาแล้วเคยเป็นบาบาบอบบแบบเทวานิยมมาตั้งเยอะั้งแยะแล้วทั้งนั้นแหละต้องมาเรียนรู้จกระตั้งเออเลิกเป็นเทวานิยมไม่ต้องไปหลงเชื่อว่ามีสิ่งสมมติเป็นพลังงานพิเศษใหญ่ๆเป็นยูนิเวอร์แซลเป็นปรมาตมันที่บรรดาสั่งอะไรอะไรอยู่ก็เข้าใจแล้วเ อ, อ้าของพุทธนั้นน่ะอาตมาก็เคยอธิบายสู่ฟังแล้วก็ขอทษทวนอีกนิดนึงของพุทธนั้ น, นมีพลังงานพิเศษ เหมือนพระเจ้าแต่พระเจ้านี้เป็นพระเจ้าของแต่ละคนถ้าใครไม่ได้สั่งสมพลังงานกุศลที่เป็นกุศลพิเศษกุศลที่จะเป็นทุศนทางโลกีกุศลทางโลกุตระอะไรก็ตามถ้าคุณไม่ได้สั่งสมคุณก็ไม่มีไม่มีเพราะงั้คุณจะอ้อนวอนพระเจ้าพลังงานพิเศษให้ช่วยเรามาั้งคุณเหมือนกับคุณเองคุณไม่ได้หาเงินใส่ธนาคารเลย และคุณก็จะเอาริธเดชของธนาคารของไเดชของกำลังเงินกำลังทรัพย์ที่คุณมีมาใช้มามาทำอะไรก็อะไรแต่มาใช้อะ่ะคณก็ไปเบิกก็มาใช้ไม่ได้เ อ, อเรามีเงินร้อยล้านแมมเบิกมาสัก60สล้านมาตีหัวไอคนนี้หน่อย คุณมีร้อยล้านคุณก็มีสิทธิ์จะเบิก60ล้านออกมาตีหัวฟาดหัวไอ้นี่มันหน่อยนึงมมันดูถูกกันนักอะไรก็แล้วแต่เบิกมา60สิล้านเป็นทรัพย์ของเราเราก็มีสิทธิ์แล้วเราก็เบิกมาได้แล้วเราก็มาเอาอำนาจเงิน60ล้านนะั้นมันจะมีมากเท่าไหร่จะมีอํานาจขนาดไหนกน็แล้วแต่เอามาฟาดหัวเจ้านี่คุณก็เอามาใช้คุณก็ามาฟาดได้มาออกฤทธิ์ออกเดช เป็นอิ ana, ทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์อะไรก็ตามคุณก็ทําได้เพราะคุณมีคุณสั่งสมกุศลของคุณแล้วเป็นของของคุณเป็นกรรมสกตาเป็นของของคุณเป็นสิทธิของคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคุณไปร้องขอขอหน่อเธอพลังงานพิเศษอะไรอะไรพิเศษขอให้มาช่วยเหลืออย่างนู้นอย่างนี้ขออนุนี้ขอให้ตายก็ไม่ได้กรรมสกรรมสกมีกรรมทายาโถกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสระโน คุณก็ประเดื่พึ่งของคุณนั่นแหละคุณไม่มีของคุณคุณไม่มีของที่พึ่งของคุณหรอกคุณพึ่งกรรมของคุณกรรมาปฏิสระโนถ้าคุณไม่มีคุณก็ไม่ได้เพราะเรของพุทธมีอิทธิปาฏิหาริมีอเทศนาปาฏิหาริมีอนุสาสนีปาฏิหาริมีความพิเศษมีฤทธิ์มีเดชอะไรตรต่างๆที่พลึกพิลั่นแปลกๆมีไหมมีแต่คุณต้องสั่งสมคุณต้องทําไว้ คุณอยากมีฤทธิ์คุณก็ไปแสดงคุณก็ไปสั่งสมฤทธิ์สั่งสมอิทธิปาฏิหารคุณจะมีฤทธิ์ทางใจคุณก็ไปสั่งสมฤทธิ์ทางใจคุณจะมีฤทธิ์ทางอนุสาสนีปาฏิหารคุณก็สั่งสมอนุสาสนีปาฏิหารใส่เข้าไปและคุณก็จะมาเบิกใช้เท่าไหร่คุณก็เบิกใช้ได้มีสิทธิขนาดเบิกใช้ได้บางทียังขัดข้องเลยของเราเองบางทีเบิกมาขัดข้องเลยเพราะ คุณจะตะกลดตะกลามออกมาทั้งหมดทีเดียวมันไม่ง่ายหรอกมั่นไม่ได้ทันทีหรอกนะแต่ก็มีสิทธิ์พยายามเข้าได้ของคุณเพราะว่าของคุณคุณทำสมมุติว่าคุณเองคุณสั่งสม อ, อะไรเอาไว้สักอันหนึ่ง เสร็จแล้วสั่งสมไว้ได้มาบางๆมากแล้วแล้วคุณก็ไปทำอื่นอีกบ้างไปสั่งสมอย่างอื่นอีกบ้างบ้างแล้วคุณก็วนมาจะมาเอาอันเนี้ยที่คุณสั่งสมมาตั้งมากเนี้ยจะเอามาใช้มันก็ต้องค่อยๆทยอยดึงมาก็ค่อ ย, อยเอามาเอามาทันทีไม่ได้หรอกเหมือนมันลืมสัญญามันอยู่ไกลมันอยู่รับซับซ้อนเพราะฉะนั้นจะเอาออกมาทันทีไม่ได้คุณฟังเข้าใจนะ เรื่องอจินไตเนี่ยมันกรรมมัมีฝากมันปฏิบายยากยากนรกฟังดูดีๆคุณจะเอามาใช้ทันทีมันไม่ได้หรอกคุณจะลืมมันก็ได้แต่มัทิ้งห่างแล้วคุณก็จะค่อยๆทยอยเก็บเก็บมาเพื่อจะเอามาใช้ตอนนี้รวมๆมามันก็ไม่ทันทีอย่างนี้เป็นต้นนี่คือกรรมไม่ฝากซึ่งมันเป็นนามธรรมซับซ้อนมากมายหลากหลายเพราะฉะนั้นมันมีอะไรซับซ้อนปนๆเปไปๆอะไรอยู่เยอะมันจึงไม่ง่ายนัก นี่เป็นกรรมเป็นวิบากถ้าเราเชื่อกรรมเชื่อวิบากแล้วก็เข้าใจพิสูจน์ไปเถอะนะมันเป็นผลดีอย่างน้อยถ้าคุณเชื่อกรรมชีวิตคือกรรมที่ดําเนินไปกับกาลละถ้าคุณเชื่อคุณก็สั่งสมกรรมที่ดีกุศลที่ดีประโยชน์ก็เป็นของคุณเองคุณก็จะเป็นที่รักที่เคารพของมวลมนุษยชาติคุณก็เป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลเป็นอะไรทั้งนั้นเลยตัวคุณเองคุณก็ได้กรรมที่ดี สังสมเป็นวิบากไปเป็นทรัพย์ไปพนคนอื่นก็ได้รับสิ่งที่ดีจากตัวคุณคุณไม่ทําร้ายไม่ทำร้ายไม่ทําเลวไม่ทําชั่วอะไรทำแต่ดีดีดีดีดีดดดไปคนอื่นก็ได้รับสิ่งที่คุณสร้างยิ่งคุณสร้างแล้วคุณก็จริงละโลภละโกรดละหลงไปด้วยไอความอไม่หิโหดร้ายความแรงเป็นโทสะก็กลดลงลดล ง, ล ง, ลงความโลภที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้กอบโกยฮวงแหนสะสมก็ไม่มีก็แจกจ่ายเชื่อใจเกื้อกูลคนอื่นก็ได้รับประโยชน์ต่อไปเรื่อย มันไม่ได้เป็นความเสียหายไม่ได้เป็นความเลวร้ายไม่ได้เป็นความบกพร่องอะไรเลยถ้าเข้าใจแนวความหมายของอันนี้แล้วก็สั่งสมอย่างนี้เถอะสมมุติว่าไอติพูนี้ไม่จริงไม่ใช่สัธจธรรมแค่เหตุผลแค่ความหมายที่อาตมาอธิบายนี่ยมันดีไหมดีไหมแค่ความหมายแค่ความเข้าใจว่าอย่างนี้อมันดีไหมมันไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครทั้งตัวเองทั้งผู้อื่น สมมติเว้นี้ม่ใช่สัจธรรมมันก็ดีที่จะทําแล้วล่ะมนุษย์นะใช่ไหมมันก็ดีที่จะทําแล้วเพราะฉะนั้นยิ่งทำเข้าไปเถอะแล้วมันก็เป็นอันนี้แหละเป็นสิ่งที่สั่งสมในโลกเป็นกรรมคุณเชื่อกรรมเชื่อวิบากเนี่ยกรร ม, มสัสสัทธาวิปากสาัทธากรร ม, มสกตาสาัทธาตถาคตโพธิสัทธาพระพุทธเจ้าตรัสรูก็ตรัสรู้เรื่องกรรมเรื่องวิบาก กรรมเป็นของของตนนี่แหละแล้วท่านก็พัฒนากรรมของตนเองไปจนกระทั่งเป็นสมมาสัมพุทรเจ้าเป็นพระสมมาสมุทธเจ้าสุดยอดก็สร้างสมกรรมของตัวเองนี่แหละกรรมมันเป็นกุศลกุศลทางโลกีกุศลทางโลกุตระเพราะฉะนั้นกุศลทางโลกีก็ไม่ควรจะต้องดูดายอย่างคุณสร้างสรรค์ทํางานขยันนี่เป็นประโยชน์แก่ผู้นั้นผู้นี้มันก็เป็นกุศลโลกีของคุณล้างกิเลส ข, ของคุณก็เป็นกุศลโลกุตระของคุณ ทำกรรมกริยาของคุณให้ดีให้งามมันจะซ้อนกันทำกรรมกริยากายกรรมของเราดีนะเ อ, อื้อเฟื้อเจอจานเกื้อกูลมีวาจาอย่างนี้มีกริยากายกรรมอย่างนี้อย่า ง, งี้ๆให้มันดีให้มันพัฒนาให้มันฉลาดว่าเออเราจะมีกรรมกริยากายกับคนขนาดนี้คนนี้เป็นคนหยาบเป็นคนนี้เราจะมีกายกรรมอย่างไรกับคนค น, นี้หรือมีวิจิกรรมกับคนคนนี้ คนมีแนวคิดอย่างนี้มีความยึดติดอย่างนี้เราจะทํำยังไงกับเขาอย่างงี้คุณศึกษาคุณก็ปฏิบัติไปก็เป็นประโยชน์ของตนเองคุณก็ได้ปรับตัวเองในอย่างหนึ่งสองมันกับคนอื่นมันก็ดีด้วยกุศลอยู่ในนี้ก็มีทั้งโลกีทั้งโลกุตระพระจิตเป็นประธานวิญญาณหรือมโนเป็นประธานสิ่งทั้งปวงคุณก็ปรับทั้งเรียนรู้ทั้งฝึกฝนให้มโนนี่เป็นตัวตั้งมโนมันก็ฝึกไปมโนก็ฝึกไปฝึกสั่งฝึกกําหนด ฝึกเรียนรู้ฝึกจะสั่งทางกายกรรมทางวจัจจกรรมมโนเป็นตัวประธานทั้งนั้นแหละมันก็เกิดมันก็สั่งสมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำอย่างนี้มันก็มีผัสสะมีการได้ผัสสะผัสสาแล้วมันก็เกิดไปปรุงกับจิตเราก็เป็นการปรุงคุณก็แยกวิเคราะห์จิตของคุณวิเคราะห์ออกวิเคราะห์ออกว่าเอ อ, อย่างนี้มันเป็นตัวรากฐานแห่งกุศล ปรารถนาดีเจตนาดีเป็นเจกุศลเจตนาเพื่อผู้อื่นหรือไม่เพื่อตัวละตัวละตนเพื่อผู้อื่นก็เป็นกุศลที่เป็นโลกีเพื่อละตัวละตนก็เป็นกุศลโลกุตระ ถ้าคุณทําเพื่อผู้อื่นด้วยเออได้ล้างกิเลสด้วยมันก็เป็นกุศลโลกีและเป็นกุศลโลกุตระทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นคนไหนที่ขยันรู้จักสังกปะวาจา ก, กรรมมันตาอาชีพได้ขยันทําทั้งทุกบทของมัดองแปดเนี่ยพัฒนาทั้งการงานอาชีพเพื่อผู้อื่นได้ล้างกิเลสตนเพื่อผู้อื่นได้ล้างกิเลสตนเพื่อผู้อื่นได้ล้างกิเลสตนเพื่อผู้อื่นผู้อื่นก็ได้รับประโยชน์จากกรรมกริยาคนนี้นั่งเฉยเฉยไม่เคยทำและก็บอกว่าในหน้านจะปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะไปนิพพาน เลยเฉยๆไปเฉยๆมาผัดสะคุณก็ไม่มีกรรมที่จะสร้างเพื่อผู้อื่นก็ไม่มีเพราะฉะนั้นความช้าที่จะเกิดการเ จ, จดิดโจดหรือเกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะเป็นกุศลทั้งโลกีทั้งโลกุตระคุณก็น้อยฟังความหมายพวกนี้ให้ชัดสังกปะวาจากรรมันตะ อ, อาชีวะน่ไม่ใช่ว่าทาทีละอัน ถ้าทำสี่อันได้พร้อมเลยได้มากๆเลยได้เป็นกุศลทั้งโลกีทั้งโลกุตระด้วยทั้งกรรมสี่ทั้งสี่เนี่ยสังกปาวาจารกัมมันตาอาชีวะคุณทําได้พร้อมเลยคุณก็ได้มากแต่ถ้าคุณทำเยาะเยาะแยะๆไม่ค่อยอะไรหรอกเราไม่เก่งเราไม่อยากทําไม่หนักไม่อยากหนักก็เอาแต่น้อยๆน้อยๆเอาไปเถอะอีกหลายล้านชาติเยาะเยาะแย่ไปอีกหลายล้านชาติ ยิ่งจะต้องอยู่เดียวๆปรีๆไม่ค่อยจะไปผัดสะไม่ค่อยมีอะไรอยู่ง่ายๆว่ า, างๆยาถาสุ ข, ขังไปตามเรื่องตามราวปล่อยตัวสุขตามสบายไปเรื่อยสบายก็คือบำเรอตนเองอยู่เฉยๆว่างๆเหมือนพวกฤษีก็สนักไปทานฤษีอยู่ไว้ว่างลอยๆง่ายๆคิดก็ไม่ค่อยคิดมากพูดก็ไม่ค่อยพูดมากทําอะไรก็ไม่ค่อยทำทำเสียไม่ได้วันๆนิดๆหน่อยๆกรรมกิริยาก้อ น, น้อย กลายเป็นอัตตานี่ยแหละมากกลายเป็นเสพบำเรออัตตาอยู่ด้วยอาการอยู่บาเรออารมณ์ตัวเองที่ชอบ อ, อยู่บางทีก็สงบบางทีไม่สงบก็คิดฟุง้งซ่านหนักเข้าไปเดี๋ยวเป็นบ้านะเอาแต่นั่งคิดไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องออกไปแสดงสภาพสิมันเป็นคุณค่าประโยชน์อะไรอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลไม่รู้เรื่องแล้วด้ฝึกตนเองว่าเดกผัสสะอย่างนี้เราจะได้รู้เท่าทันได้วิจัยได้มีธรรมวิจัยสัมโพธช์ ฝึกให้เป็นวิไวจัยธรรมวิจัยสัมโพธชงให้ชานาญถ้าฝึกธรรมวิจัยไม่ถึงขั้นสัมโพธชงไม่ชํานาญไม่ถึงขั้นที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ธรรมวิจัยของคุณก็ใต้แต่แค่นั้นอย่างพวกนักคิดเนี่ยนักศึกษาพวกเนี่ยพวกนักรู้เนี่ยเขาวิจัยนะเขาเก่งวิจัยคิดนู่นคิดนี่คิดแต่มันไม่ได้วิจัยมหาทางธรรมะวิจัยเรื่องบ้าๆบอๆวิจัยเรื่องอะไรก็มารู้โลกรู้อะไรต่างๆนานาคิดจนหัวปวดหัวปวด อย่างยุคสีอริยะอย่างนี้เป็นตน้นโอ้โหน่าสงสารคิดรอบโลกเลยเขายิ่งไปเรียนวิชา Globalization มาด้วยนะคิดเลยโลกนี้จะต้องเรียนรู้โลกอะไรต่างๆคิดแต่ก็แหมเอามาวิจัยเอามารวบรว ม, รวมแต่ไม่มีหลักหยุดจับหลักสำคัญของชีวิตไม่ได้น่าสงสารคิดอยวิจัยตัดอะไรเดียวอย่างนี้เขารูจกวางบ้า ง, างยุคสีอริยะนี่ถ้าไม่งั้นเขา เป็นโลกเส้นประสาทแน่เรืวิชานี้วิชาเรียนรู้โลกทั้งโลกวิชาจะต้องเรียกเรียนรู้ความพัฒนาหรือความเป็นไปของโลกวิชาบา้าบาบา บ, าบาอะไรก็มไม่รู้ไปเอามาเรียนมันใหญ่โตเหลือเกินนั่นะน ะ, นะคิดเขาเห็นเขาคิดก็มองไปหมดเลยคนนั้นคนนี้เขาไม่เชื่อใครไม่มีใครเป็นเอกเขาเป็นเอกคนเดียวหลงความคิดของตนเองผู้นี้เสียเวลานา น, านมาก นานเพราะมันมีอัตราใหญ่เชื่อตัวเองเชื่อภูมิตัวเองแล้วก็วิเคราะห์วิจัยหัดทำมาวิจัยหัดวิจัยอะไรอะไรเยอะแยะเยอะแยะมันจะรู้ละเอียดละออมันจะรู้มากรู้มาเลยมันหลงภูมิหลงความรู้ตัวเองผู้ไม่รู้เรื่องหรอกคนนี้ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเนี่ยเขามีบัญญัติของเขายอดเลยยุคศีอริยะแต่ของเขายังอีกดานดักดานอ่ดักดานดกานว่าจะถึงอริยะ เขจะชื่อว่าดักดานอีกนานถึงอริยะนะเขจะใช้หน้าปากานี้อ่ะจริงจริงเนี่ยอาตมาผู้นี่ฟังจริงจอาตมาก็ไม่รู้จะทําไงเข้าใจเขาก็สงสารคบหากันเคยรู้จักกันนะเคยคุยกันแล้วก็ดูนนวแนวคิดของเ้าที่เขียนเป็นอย่า ง, งั้ น, น่ะหน้าสงสารนะลงความรู้ไปนั่นก็านานเนี่ยเฉอะชฉยไปทางลูศีลูศีใหญ่ๆนิ่งเฉยว่างนานเหมือนกัน นานเหมือนกันเพนะราะตรงสองอย่างนี้เราต้องต้องเข้าใจคนมาตั้งต้นอัตมาจะอธิบายว่าจะพยายามอธิบายให้รู้ว่าลักษณะจิตลักษณะภูมิธรรมหรือสภาวะธรรมที่เราได้ขนาดไหนเรียกว่าโสดาบันฟังตรงนี้จะชัดนะ หลักที่สำคัญที่ใช้กันแล้วก็รู้กันถอดหมดก็คือว่าสังยสังโยดสามถ้าพ้นสังโยดสามนี้แล้วได้เป็นโสดานี่หลักสำคัญที่รู้กันดีทีนี้หลักปรมาติตลึกขึ้นไปเราก็เอามาพูดกันแล้วห ล, หลักแปดพูมาทำแปดของโสดาพ้นอบายภูมิสี่นสี่หลักละ อะไรอ่ีนะนิริยะขีนะเปปปิขีนะปิตาปิตาขีนะนิริยะขีนะปิตากะหรือไงและวขีนะติระชานะและวขีนอะอะไรอ่ะอ่าขีนะปานะเด้อ มีปานะเป น, นั ก, กทุกติวินิบาตกีณาปานะทุกติวินิบาตนี่สีภูมิเนี่ยสีความหมายเนี่ยถ้าเรารู้ว่าไอ้อย่างนี้มันเป็นอารมณ์เป็นความเป็นสัตว์โลกเป็นจัดจิตวิญญาณน่ะเนี่ยมันอย่างนี้เรียกว่านิริยะเรียกว่านรกอย่างนี้เรียกว่าเปรตอย่างนี้เรียกว่าเดริชานอย่างนี้เรียกว่าสัตว์อบายที่สุดแล้วไม่มีอะไรต่ำกว่านี้อีกอันตมาแปลตัวนี้ว่า อ, อัตวินิบาตนี่ว่บมันตกต่ำจนไม่มีที่จะต่ำกว่านี้อีกแล้วนะถ้าเรารู้จิตวิญญาณที่เป็นลักษณะอย่างนี้แล้วเราต้องพ้นให้ได้พ้นความเป็นจิตวิญญาณแบบนี้ให้ได้อันนี้อัตม า, อตมาพออธิบายสรุปส่วนตัวที่ขายคุณค่าก็คือมีโซตาปั น, นะอวินิปาตธรรมนิยตะ สัมโพธิปราชญ์อีกสี่นิแคุณธรรมสี่อย่างนี้เป็นการอ่านปรมาิตย์ถ้าไม่มียานอ่านปรมัทิตย์ของเราว่าอาการอย่างไรเรียกว่าขีณนาะเรียกว่านิริยะแล้วเราจะไงเราจะขีนะคือหมายความว่าดับหรือพ้นนรกนี้ไปได้ขีณาก็คือหอลุดพ้นตรงนี้ไปทําอย่างไรกค็คือปฏิบัติจะทําอย่างไรจะพ้นพ้นแล้วลักษณะจิตของเราเข้ากระแสแล้ว ไม่ตกต่ำแล้วเที่ยงจะเจริญไปสู่ข้างหน้ามันเป็นลักษณะอย่างไรก็มาอยู่ที่สังโยตสามมาอยู่ที่สังโยตสาต้องพ้นส ก, กายะส ก, กายะคือยคอย่างไรพ้นวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาคืออย่างไรพ้นศีลรัตตปรามาสศีลรัตตปรามาสคืออย่างไรเราเรียนรู้ศีล เรียนรู้ภาคประพฤติศีลพรศศิรพศตักสักกายะก็คือเราต้องรู้อารมณ์จิตของเรานั่นแหละนี่เน่ยคือนิริยะอย่างนี้แหะคือเปรตอย่างนี้แหะคือเดริชานอย่างนี้แหะคือจิตวิญญาณที่มันต่ําอย่างนี้อาการอย่างนี้จิตที่เรามันไม่เจริญของใครก็ของใครอ่านอาการจิตนี้นี่แหละคือสักกายะนี่คือสกกายะ เมื่อคุณรูแลคุณก็ตั้งศีลเอามาประพฤติตั้งหลักเกณฑ์ตั้งกรรมฐานตั้งสัจจะตั้งอะไรก็แล้วแต่ฉันจะต้องจัดการเจ้านี่ไอความต่ำอันนี้อับายภูมิเนี่ยภูมิก็คือสิ่งที่คุณเป็นอยู่ภูมิภพที่คุณเป็นอยู่จิตเราเป็นอย่างนี้แล้วมันมีกิเลสอย่างเงี้ยมันมีความต่าอย่างเงี้ยมันเลวมันไม่ดีอย่างเงี้ยตัวเนี้ย ดิส ก, กาย่ของคุณคุณต้องรู้ส ก, การ์ย่ของคุณของใครของมันไม่เหมือนกันจริตไม่เหมือนกันกรรมไม่เหมือนกันวิบากไม่เหมือนกันของใครของมันจับให้ได้อ่านให้ได้เข้าใจให้ได้เมื่อคุณเข้าใจได้คุณมีญาณรู้อย่างชัดเจนเลยเป็นนามธรรมและคุณก็มีหลักเกณฑ์มีศีลมีพรเมื่อมีศีลมีหลักเกณฑ์แล้วคุณก็พรต้องประพฤติต้องปฏิบัติต้องวัตตะวัตรระต้องประพฤติต้องปฏิบัติ ปฏิบัติต้องกระทําฝึกปลื้ตอนเองมีหลักเกณฑ์แล้วตั้งหลักเกณฑ์ให้ตัวเองแล้วปฏิบัติถ้าคุณรู้ว่าอันนี้คือสักกายคุณปฏิบัติจับตัวสักกายได้มีวิธีลบสักกายได้อย่างรู้อย่างมียานรู้ยานเห็นไม่สงสัยไม่แปลกไม่งงจับได้แม่นแท้ชัดแท้ได้แท้และเกิดการประสบผลสําเร็จ ลดได้นิดนึงก็รู้ลถแรกมันก็กลับมายักยุกยั ก, ยกอีจอนมายังยำซ้าอีกเอาเอาเอีกใหม่จนกระทั่งได้ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นวสีคล้าคล้องมีอํานาจพิเศษขึ้นสูงขึ้นจนรถได้จริงๆลดได้จริงๆลดได้จริงๆลดได้จริงๆลดได้จริงๆอย่างรู้มีญาณรู้มีญาณเจ็บของโสดาบันรู้จริงๆว่าใช่แล้วนี่แหละปรัมัตธธรรมจิตเจตสิกกรรมกิริยาปฏิบัติกรรมอย่างนี้กายกรรมอย่างนี้วจีกรรมอย่างนี้มีผัสสะอย่างนี้ ครบสิ่งแวดล้อมอย่างนี้มีสิ่งอย่างนี้ประโยชน์มีประโยชน์มากขนาดนี้มีประโยชน์มากมีสิ่งแวดล้อมมีภาษา ต, ต่อบุคคลต่อสถานที่เสนาสนะบุคคลอาหารธรรมะมันสปายะมันพาเจริญหมดเลยอย่างนี้นี้แหละขนาดนี้อยู่ในมิตรีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีครบหาอย่างนี้ทำงานอย่างนี้สัมผัสอย่างนี้เกี่ยวข้องนี้เออแม่เกิดการเจริญเราอ่านได้เรารู้ได้เราลดได้ ไม่สงสัยไม่ลังเลเห็นชัดรู้ชัดมีญาณรู้ญาณเห็นของตนเองอย่างชัดเจนไม่สงสัยไม่มีวิจิกิจฉาแหมมันเห็นรู้ดีจริงๆเลยและได้ผลจริงคุณก็ให้คะแนนคุณว่าคุณได้ผลตอนนี้สอบได้สอบผ่านนะนะนี่ลดมันได้5 1 0เ0 5 0 7 0สเเผื่อพอไว้ทำคะแนนสัก70 75 80จะได้ไม่ผิดพลาดเผื่อมันไว อาเป็นโซดาบันแล้วเราเราทำได้ตั้งแปแล้วเป็นโสดาแล้วอย่างไม่งงไม่สงสัยรู้สภาวะรู้กรรมกริยารู้องค์ประกอบมีคนถามมาบ ว, ว่ากายในกายกายในกายของกายนอกกายในกายของกายในนี่เอามาถามซะจนโหละเอียดเลยนะ กายในกายของกายนอกนนกายในกายของกายในนี่ถามใครไม่ถามมาถามโพส์ิราไปถามคนอื่นเมันขาไม่รู้จะตอบยังไงแล้วเนี่ยกายนอกกายกายในกายก็ตอบกันแยกแยกแยกอยู่แล้วนะกายนอกกายเป็นยังไงกายในกายเป็นยังไงก็ตอกกันจะมวนไหวอยู่แล้วนี่ถามกายในกายของกายนอกกายในกายของกายในเจาะเข้าไปอีกตกลง เรามีกายในหมายความว่าองค์ประชุมเราอยู่ในแวดวงอย่างนี้ข้างนอกตาหูจมูกทิ้นกายเนี่ยมันมองออกมาข้างนอกรับจากข้างนอกเข้าไปสู่ข้างในทวารห้าเรียกว่ากามาพบอยู่ข้างนอกเนี่ยเดยกบุคคลเป็นวัตถุเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นอากาศเป็นต้นหมกรากไม้เป็นสัตว์เป็นตัวตนบุคคลเราเขาอะไรก็แล้วแต่ข้างนอกมันอยู่กับเราหรือเราเองเราเกี่ยวข้องกับมัน สิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประชุมของกายเป็นองค์ประชุมของกายเรามีมิตร ด, ดีสหายดีอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีงานอย่างเงี้ยก็เป็นกายทั้งนั้นอ่ะเป็นกรรมกิริย า, ยานี้มีอันนี้ น, นี้ประสบสัมผัสข้างนอกอย่างเงี้ยเรียกว่าข้างนอกองค์ประชุมเราเกี่ยวข้องขนาดนี้ เราขนาดไหนอย่งอาตมาเนี่เกี่ยวข้องโอ้โหนี่เกี่ยวข้องทุกพุทธสถานทุกกลุ่มมูลและบุคคลอะไรอาตมาก็จะต้องมีองค์ประกอบพวงนี้ที่อาตมาจะต้องอเกี่ยวข้องกับเขารับรู้กับเขาแล้วก็เอาม า, ามาเอามาเป็นเหตุปัจจัยเป็นโมเลกุลขององค์ประชุมที่อาตมาจะต้องดูแลที่จะต้องเอามาทํางานเอามารับผิดชอบ ก็รับไปคุณได้เท่าไหร่คุณก็เอาเท่านั้นก็เรียกว่าเป็นองค์ประกอบขนาดหนึ่งของคุณกายเป็นจักรวาลน้อยของคุณขนาดหนึ่งที่คุณเกี่ยวข้องทีนี้ในสิ่งเหล่านี้แหละกายนอกนี่แหละในนอกอยู่ในนั้นมีอะไรบ้างอะไรคำลำดับอะไรสําคัญที่หนึ่งอะไรสําคัญที่สองอะไรสําคัญที่3อะไรสําคัญที่ ส, ส, สี่คุณก็รู้จัก ความเป็นลำดับความเป็นขั้นตอนความเป็นอะไรอะไรยางในนั้นอีกเรียกว่ากายในของกายนอกมันจะเกี่ยวด้วยเนี่ยสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับคุณตาคุณเห็นได้เสียงคุณฟังได้ลิ้นสัมผัสจมูกได้กลิน่นสัมผัสทางกระทบทางผิวกายเย็นร้ อ, อนอ่อนแข็งอะไรกว่าไปเป็นสิ่งที่ข้างนอกที่จะมารับรู้กับคุณ เรียกว่ากายนอกแล้วก็กายในกายของกายนอกก็ซ้อนลงไปในนั้นอีกมันเป็นอะไรมันมีลําดับต้นกลางปลายอย่างไรสําคัญมากสําคัญน้อยลงสําคัญน้อยลงไปอีกห่างอย่างไรแล้วมันมีลักษณะอย่างไรลักษณะของมันอย่างไรมันให้ประโยชน์มันให้โทษอ่า มันมีริดแรงมันมีริดอ่อนมันมีอะไรใจ อ, อย่างไรต่างๆนานาก็คือความละเอียดละออของสิ่งที่ซ้อนอยู่ข้างนอกนั้นคนนี้เอออย่างนี้ใกล้มากไม่ได้ใกล้มากแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คนนี้เออใกล้มากดีอะไรต่างๆนานาคุณก็ต้องรู้สิ่งนอกที่คุณจะเกี่ยวข้องพวกนี้ทั้งหมดจะเป็นวัตถุเขาของบุคคลแม้กระทั่งจิตวิญญาณของบุคคลนั้นบุคคลนี้อะไรก็ตามใจ แต่คุณยิ่งรู้ละเอียดสาวเ ส, สียงเรลานั้นไปอีกคุณก็รู้กายในกายของกายนอกทีนี้กายในกายของกายในกายในกายของกายในก็คืออัตวานใจรับรู้อยู่ข้างในปรุงแต่งอยู่ข้างในมีภพมีภูมิอยู่ข้างในอัตมาเคยอธิบายว่ากามในจิตกามในจิต หมายความว่ามันมีรสชาติทางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันเป็นสีเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสแต่มันไม่เป็นภายนอกแล้วแต่คุณก็รู้สึกมันเป็นรสเป็นกลิ่นเป็นเสียงอยู่ข้างในคุณไปยึดอยู่ข้างในไปปั้นอยู่ข้างในนั่นก็เป็นกามในภพกามในภพออย่างนี้เป็นต้นเพราะใน กายขององค์ประชุมของจิตมันมีอะไรอะายปั้นสร้างไปอีกมากมายเยอะแยะคุณก็รู้จากรายละเอียดของในจิตอีกทีหนึง่งองค์ประชุมของจิตของเรามันสัมผัสปุ๊บเนี่ยคนที่ไม่ได้เรียนธรรมะนี่ไม่รู้เรื่องหรอกมันปรุงปรูบมีอะไรตรายเข้าไปเป็นนรกเป็นสวรรค์เป็นความวุ่นวายอะไรอะไรเต็มอยู่ในนั้นเขาแยกไม่ออกเลยแต่เราต้องตั้งใจแล้ว ต้องเรียนรู้มันอะไรปรุงปรุงเป็นรสยังไงเป็นสภาพยังไงเป็นสวรรค์ยังไงเป็นนรกยังไงเป็นความทุกข์ความสุขยังไงวิเคราะห์วิจัยออกอ๋อมันทุกข์ยังไงมันเหตุแห่งทุกข์เป็นยังไงเป็นสุขยังไงสุขโลกีเป็นยังไงเหตุแห่งสุขโลกีเป็นยังไงเสพสมใจเลยแล้วเราไปเป็นสุขโลกีเป็นอย่างนี้สุขโลกุตระสุขเพราะว่าจับกิเลสได้จับเหตุแห่งทุกข์ได้จับตัวสําคัญตัวการสําคัญได้ลดทําให้กิเลสนั้นลดลงได้ กิเลสลดลงเบาลงว่างลงดับลงจางคลายลงก็เป็นสุขสงบประงับสุขเพราะเราทำปรมัตสุขเพราะเราทำโลกุตระได้มันเป็นยังไงคุณก็รู้กายในกายของคุณตั้งแต่เป็นโลกียะลดโลกีจะทำปรุงเป็นโลกีจนจับมันอ่านโลกีนี่ออกแยกวิเคราะมันออกเป็นโลกุตระเป็นอริยมีดวงตาแห่งธรรม มีทำรรวิจัยอ่านมันได้แยกมันออกแล้วทําลายมีวิธีทําลายกิเลสทาลายเหตุปัจจัยที่เป็นอริยสัตว์ทำลายตัวโลกโลกรธหลงตัวการใหญ่ออกไปด้วยที่เป็ตัวอกุศลละเหตุเป็นอกุศลเหตุให้มันจางคลายให้มันหมดแรงให้มันตายคุณก็รู้ในเข้าไปในก็้าไปในกายในกายสรุปแล้วก็มีนอกมีในเทนี้ใหญ่ กายในกายนั่นแหละมาเรียนเข้าไปอีกว่ามันเป็นเวทนาในเวทนาเรียนเข้าไปอีกว่ามันจิตในจิตวิเคราะห์เข้าไปให้มันชัดเจนว่ามันมีธรรมในธรรมอยู่ในนั้นธรรมในธรรมมีทั้งนิวรห้ามีทั้งอายตมีทั้งอายตนะไม่ใช่อุปทานขันห้ามีทั้งนิวรห้ามีทั้งอุปทานที่มันยึดมันติดอยู่ที่ขนันในขนันมันยึดมันติดอยู่ในสัญญายึดติดอยู่ในสังขาร รูงแต่งติดยึดอยู่ยงั้นแนหะหรือยึดติดอยู่ในรถอัศาธาเวทนาสุขเวทนาอย่างนี้ไม่รู้จักแล้วก็แยกไม่เป็นแล้วก็เสพมันติดอนีม้แติดรถทางโลกีหยาบหยาบกรูปรถขลิ่นเสียงสัมผัสก็บเสพมันอยู่นั่นแหละนะหรืออัตตาตัวตนแหมมีมากมีมายมีอย่างวันนี้คุณต้องรู้เวทนาของคุณว่ามันเป็นรสชาติที่คุณเสพเป็นรสเป็นอารมณ์เป็นโลกียารมณ์ ก็ต้องรู้เวทนาหรือไปสัญญาจํามัน่นหมายมันอยู่อย่างนี้แล้วก็มีเคราะห์ไม่ออกมันสังขารมันปรุงแล้วก็ไม่รู้ก็ต้องวิจัยให้รู้หมดเลยในอะไรเป็นยึดติดอยู่อย่างไรยึดติดในเวทนายึดติดในสัญญายึดติดอยู่ในสังขารยึดติดอยู่ในวิญญาณรู้ในอุปทานหมดเลยหรือยึดติดในรูปรูปตั้งแต่รูปนอกมาจนกระทั่งถึงรูปในในจิตรูปประจิตอรูปประจิต เราจะเรียกจิตตชรูปอะไรก็ว่าไปภาษาพระอภิธรรมเขามีเยอะแยะซึ่งมันเป็นรูปข้างในมันไม่ใช่รูปหยาบข้างนอกแล้วมันจะมหาภูต ร, รูปแล้วเป็นอุปาทายรูปที่มันต่อเนื่องกันไปหาในในในในลึกกันไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่จิตคุณก็ต้องกําหนดรู้ในภายในนั่นของเราจะเรียกว่าองค์ประชุมก็เรียกว่ากายในกายถ้าวิเคราะห์ลงไปในกายในกายก็มีเวทนามีความรู้สึกแล้วก็ ไว้ข้อลงไปอีกก็คือจิตทั้งจิตจิตทั้งจิตก็รู้ไปหมดเลยว่ามีเวทนาเจตสิกมีสัญญาเจตสิกมีสังขารเจตสิกมีวิญญาณเจตสิกไม่ใช่ขอ้อไปวิญญาณไม่เรียกเจตสิกแล้วเจตสิกสในเจตสิกสนี้มีละเอียดอะไรเข้าไปอีกกุศลเจตสิกอกุศลเจตสิกมีอีกเยอะแยะถ้าไปเรียนพระอภิธรรมก็เอามาพูดกันอีกมากมายเราก็ต้องรู้ในกายนะั้นหรือในจิต ถ้ากายในกายแล้วก็คือเข้าไปหาจิตนะจิตในจิตก็ทะลุลงไปถึงเวทนาความรู้สึกแยกสัญญาไปนาที่ก็รู้อุปทานขันธ์ห้าหรือว่าเรามีขันธ์ห้าที่มีอุปทานไหมตอนแรกรู้นิวรณหาสองรู้อุปทานในขันธ์ห้าเรายังยึดติดในขันธ์ห้าเป็นอุปทานขนาดไหนหมดล้างไม่เหลืออุปทานมีแต่ขันธ์หสะอาดสะอาดนิวรณ์ก็หมด คุณก็ต้องรู้อายตนาหอีกที่ทําในธรรมตาหูจมูกลิ้นกายใจข้างนอกข้างในมันสะอาดหรือยังอายตนาของคุณสะอาดจากนิวรณ์หสะอาดจะอุปทานหรือยังถ้าสะอาดแล้วอายตนาหกมันก็คืออายตนาหธรรมดาพระอาหารหันต์มีอายตนาหกธรรมดาเป็นสิ่งที่รับรู้นอกในเฉยๆนอกนั้นก็โพดชงเจ็กับอริยสัจสี่นี่ทําในธรำ เรียนู้ทั้งหมดนี้ก็อริยไอทำไอสมโภชชงเจ็ก็อธิบายไปตลอดเวลาแล้วว่าเป็นตัวปฏิบัติแท้ต้องมีสติสัมโพชฌงมีธรรมวิจัยมีสติให้เป็นสัมโพชงมีธรรมวิจัยให้เป็นสัมโพชงมีความเพียรมีวิริยะให้เป็นสัมโพชงและปฏิบัติ สามตัวเนี่ยโพชงสาวเนี่ยตัวปฏิบัติจนกระทั่งได้พัฒนาขึ้นมามีปิติสัมโพธงมีปัจสัตธิสัมโพธงมีสมาธิสัมโพธงไม่ใช่ปิติโลกๆลกดีใจอะไรอะไรปราบปลื้มอิ่มเอ ม, อมใจเป็นโลกีอะไรอยู่ไม่ใช่แม้แต่จะได้มรรคได้ผลคุณไปมีปิติเพราะคุณได้มรรคได้ผลมันยังต้องล้างอุปกิเสนั้นซ้อนไว้อีก ปัจสัทติให้ระงับระงับระงับซอ้อนลงไปเป็นปัจสัทธิสัมปช ong ก็รู้ว่าโอ้เรานี่ปัจสัทธิอย่างนี้คือองค์แห่งการตรัสรูน้นะความสงบระงับอย่างนี้คือความตรัสรู้ไม่ใช่ความสงบระงับแบบโลกีแบบลือศีเป็นนั่งสะกดจิตไว้สงบระงับเฉยๆได้ชั่วคราวได้เป็นนี่คำพนัประหารเฉยๆแต่นี่ได้ลึกซึ้งเข้าไปนะเป็นปัสสัตติหรือเป็นความสงบที่เข้าทางเป็นความสงบที่เป็นอริยะ พยายามเข้าไปจนสั่งสมเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์โอสมาธิแบบนี้เป็น ส, สมาธิแห่งองค์แห่งการตรัสรู้ไม่ใช่สมาธิโลกีไม่ใช่สมาธิอะไรที่มันออกนอกนี่เป็นสัมมาสมาธิแทๆ้ๆเนาะเป็นสมาธิที่สั่งสมเป็นองค์แห่งการตรัสรู้คือมาตั้งมัน่นแล้วเนี่ละกิเลสอย่างนี้มาได้จนแข็งแรงจนตั้งมั่นขนาดนี้จนถึงขั้นอุเบกขาซ้อนลงไปในเจตสิกลึ ก, ลก เป็นอุเบกขาเจตสิกอ้ลักษณะอุเบกขาบอกแล้วว่าเป็นฐานนิพพานเป็นอุเบกขาสัมโพธชงอ้จิตตัวนี้มันว่างแล้วมันเฉยแล้วมันกลางแล้วมันนิวตันแล้วมันไม่บวกไม่ลบแล้วมันไม่ดูไม่ผลักแล้วมันอุเบกขาแล้วอ๋อแต่อุเบกขานั่นเองก็เป็นเจตสิกที่คุณยึดเป็นเราเป็นของเราไม่ได้ยังเป็นอุปกิเลสเป็นวิ ป, ปัสณุปกิเลสอุเบกขานี่ แต่เป็นฐานนิพานแล้วทําได้ถึงขนาดนั้นอ่ะมันหมดฤทธบูรุดผลักแล้วไม่มีละตรงไปข้างฝ่ายอะไรก็ไม่มีละเอาอโศกวิราชาไม่มีละ ไ, ไม่มีทั้งเศร้าไม่มีทั้งระเริงทุลีหมองทุลีเริงอะไรไม่มีละกลางละแต่อันนั้นก็ยังเป็นสภาพเป็นสภาวะคุณยึดอันนี้เป็นเราเป็นของเราก็ไม่ได้นั่นเป็นอีกอันหนึ่ง แต่คุณก็อาศัยอุเบกขาก็อาศัยอุเบกขาทวนรูเสียว่าไม่มีคุณลักษณะห้าจำได้ไหมถามสมณะดีกว่าถามคลววะเดี๋ยวเขาตอบเรามันขายหน้าสมณะอุเบกขาคุณลักษณะห้หนึ่งปริสุทธาปริโยธาตามุทุกรรมันพยา ปรพัสร า, อ, าอย่างพอได้ไ ม, ไม่ขายหน้าสมณะยังมีคนกู้หน้าแต่หลายคนนิ่งเงียบทำทีเป็นรู้แต่ไม่พูดแต่ความจริงไม่รู <c oughs> ้ปริสุทธาก็บริสุทธิ์ลักษณะของคุณลักษณะของเจตสิกตัวนี้อุเบกขาเนี่ยบริสุทธิ์แล้วสะอาดแล้วประโยชน์ตาตาไม่มีทุกข์รุ่นรอนอะไรแล้ว บริสุทธิ์ไม่มีแล้วกจะบวกจะลบจะดกจะผลักอะไรไม่มีมีลุกคุณลักษณะบริสุทธิ์นี่เป็นตัวหนึ่งบริสุทธิ์คืออย่างไรนั่นคือบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งที่ไม่ควรมีแล้วปริโยธาตาไม่มีอย่างสิ้นรอบมุททุอ่อนละเอียดรอบไหวทั้งในลักษณะที่จะดัดจะปรับก็เป็นจิตหัวอ่อน ทั้งความรอบรู้ก็รู้ได้เร็วรู้ได้ไวรู้ได้เร็วรู้ได้วไดวถ้ามันจะเป็นตัวเจโตมันเป็นกิเลสมันเป็นอะไรติดก็ดัดได้แล้วเรียบร้อยแล้วมันไม่มีแล้วมันทำได้แล้วง่ายได้แล้วปกติแล้วมุทุกรมบัญญาพร้อมควรแกาการงานทุกทุกทุกอย่างแนละ้วไม่เกรงไม่กลัวไม่ได้ไปติดใจว่านี่งานชอบนี่งานไม่ชอบไม่ทำงานไม่แล้ว กรรม ญ, ญาเหมาะควรแกการงานทุกประการเพราะฉะนั้นจิตบริสุทธิ์ที่เป็นอุเบกขาวางเฉยเนี่ยเป็นจิตที่ทำงานได้อย่างไม่เกี่ยงกรรม ญ, ญาหรือกรรมนิยะเน่เขาแปลเขาแปลเหมือนกันด้วยซ้าไปว่าควรแกการงานเหมือนกันแต่จริงแล้วมันรู้ยิ่งด้วยกรรมกรรมัญญะกรรม ญ, ญาเป็นกรรมสามัญจะว่ากันไปแล้วเป็นกรรมที่ยอดรู้ อัญญะอัญญาเนี่ยแปลว่าอื่นๆก็ได้แปลว่าความรู้ยอดรู้ก็ได้อัญญะอัญญาอัญญาสิโกนธัญญะเนี่ยธัญญะโกนธัญญะรู้แล้วอัญญะแปลว่าอื่นก็ได้แปลว่ายอดรู้ก็ได้แปลว่าอะไรอะไรก็ได้อื่นอัญญะกรรมัญญากรรมอะไรการกระทาอะไรอื่นๆได้ทั้งนั้นรู้กรรมต่างๆกรรมัญญาเพราะว่าแปลจำนวนง่าย เหมาะคนแก่การงานก็ได้มันก็แปลได้ตื่นตื่นจังนั้นนะคำมันยาเพราะฉะนั้นจิตอุเบกขาไม่ใช่จิตอยู่เฉยๆฉยคนที่จิตว่างยิ่งไม่ว่างคนที่จิตว่างยิ่งไม่ว่างเพราะมันไม่ติดยึดอะไรแล้วมันก็รู้ว่าจะกำหนดอะไรจะสำคัญกับอะไรมันมีสัญญาอันวิเศษจะกำหนดอะไรรู้อะไรสัญญากำหนดมั่นหมายอะไรอะไรแล้วก็ไม่ติดไม่ยึดสิ่งเหล่านั้น กรรมยญญานี่คุณลักษณะประพัดสรามันก็สะอาดรุ่งเรืองประพัดสรน่ะสว่างสวัยชดช่วงไม่ใช่มืดตื่นงงเงาทุบตักดานไม่ใช่เป็นจิตที่โ ล, งลง่งโปร่งใสว่างสะอาดสว่างสวัยชดช่วงอยู่งั้นประพัดสรารุ่งเรืองเจริญยุ่งเรืองอยู่อย่างนั้นนี่คุณลักษณะห้าของอุเบกขา ซึ่งมันขยายความบ อ, อกชัดของพระเจ้านี่ละเอียดละออถึงอย่างนี้ทุกวันนี้เนี่ยในาศาสนาพุทธเรียนประเดี๋ยงก้ามาก็ตามแปลอุเบกขาว่าวางเฉยคืออย่าไปยุ่งกับมนะันเฉยเทิ้งอุเบกขาปล่อยปล่ยฉันไม่เกี่ยวนั่นคืออุเบกขาอันนั้นมันไม่ใช่ความหมายของอุเบกขาที่หมายถึงประมัดที่หมายถึงคุณลักษณะที่เป็นสัมโพธชงอุเบกขาสัมโพธชงมันไม่ใช่เลย มันเป็นยัเป็นความไม่รู้ยังเป็นความโง่เงายังเป็นความไม่เข้าใจอยู่ปล่อยวางแบบโลกี้แล้วก็แปลกันอย่างนั้นอนะ่ะวางเฉยหยุดเฉยแล้วำทำอะไรเฉยๆข้าไม่ยุ่งไม่เกี่ยวอะไรนิ่งๆเฉยๆไม่เกี่ยวไม่ยุ่งหยุดอยู่เฉยๆเตือไม่ใช่คุณลักษณะที่แท้ลึกซึ้งะนะทีนี้กลับมาถึงสังโยชน์สามใหม่ ถ้าคุณจับสกายะได้คุณจับอารมณ์จิตคุณจับสภาพที่คุณจะต้องจัดการมันให้ปฏิบัติกับมันเรียกว่าศีลมีศีลมีพรสมีหลักเกณฑ์มีกรรมฐานมีการตั้งสัจจะไอเจ้าหนี้และตัวการอัตมาแปลสักกายะว่าตัวการเจ้าตัวการเนี่ยคุณรู้ของคุณอารมณ์จิตแบบนี้ของคุณมันไม่ดีคุณจะจัดการอารมณ์จิตอย่างงี้ของคุณมันเป็นตัวร้ายของคุณละ อารมณ์มันจะต้องเป็นตัวที่คุณเอามันก่อนมันหยาบหรือมันพาเราตกต่ํามันพาเราทุกข์มันเป็นตัวการที่เราจะจัดการกับมันก่อนตัวไหนก็แล้วแต่อารมณ์อย่างไรก็แล้วแต่ลักษณะอย่างไรก็แล้วแต่ของไขรของมันแล้วคุณก็ต้องรู้อาการอารมณ์นั้นมันเกิดเมื่อไหรเมื่อไรรู้ได้เร็วรู้ได้ไวรู้ได้ชัดจึงพ้นวิกิกิจฉาและคุณก็มีหลักเกณฑ์มีศีลตั้งหลักเกณฑ์มาต้องต้ัดการกับมันด้วยหลักเกณฑ์นี้ เอาวิธีนี้แหละแล้วคุณก็ทําจริงๆพัตตะประพฤติก็ทําจริงๆไม่ใช่ตั้งกราเกณฑ์ไ้แล้วก็ไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่มีสติสัมโพชฌงไม่มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงไม่มีวิริยะสัมโพชฌงไม่เคยเกิดผลไม่เคยมีปีติสัมโพชฌงเลยไม่เคยเกิดโพชฌงดัวใดต่อเลยตั้งไว้เฉยเฉยไม่มีพลธไม่มีการปฏิบัติละละแหละแหละคุณก็เป็นศีลพตะศิลพัตตุปาทาน จ ะ, ย, ะยึดศีลยึดพรตอยู่เฉยๆศีลพรตนั้นไม่ได้เกิดบทปฏิบัติจนกระทั่งมันเกิดผลศีลปัสตร์ปรามาสหมายความว่าคุณไม่ใช่ว่าคุณตั้งศีนตั้งพรตไว้แล้วก็เออมีแต่ศีนแต่พรตไว้ลุกๆคําำศีนพร ต, รพรตเขาวางกันปรามาสคือรูปคลํามีแต่ศีนแต่พรตรูปคล้ำพรตแต่ไม่ปฏิบัติอย่างเป็นตัวที่มันเกิดคุณค่ามันเกิดผลจริงๆ ศีลพ้ศีลแลพ้พตปรามาตรหมายความว่าคุณปฏิบัติศีลพรนั้นคุณปฏิบัติศีลห้าเอาะเอาศีลมาจกเลยข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้หสมมติว่าอยู่ที่ข้อหลักษณะใดอบายมุกอย่างใดคุณจะเอากรรมันละตรงนั้นแหะคุณก็ปฏิบัติมันเลยศีลตัวนี้ตั้งมาเลยจะฆ่ากิเลสลักษณะนี้หละในข้อห้านี่เมา่อไงเธอมัเสพไปติดอันนี้อย่างนี้เราจะละจะลดอันเนี้ยและคุณก็ปฏิบัติประพฤติ มันจะสัมผัสทางตาหูจหมูกลิ้นกายเมื่อไรมันจะเกิดสภาพไปปรุงแต่งในจิตเมื่อไรก็วิจัยก็ไปให้ทันจับบีบคอไอตัวการมาได้ไอตัวกิเลสเหตุอกุศลเหตุเป็นราคะหรือเป็นโทสะอะไรของคุณก็แล้วแต่จับมาได้มีวิธีสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาให้มันลดละจางคลายลงไปได้ปฏิบัติประพฤติจริงๆพราะตามหลักเกณฑ์ที่คุณตั้งจนมันจางมันคลายได้ผลจริงๆ มันละลดได้จริงอย่างรู้รู้อย่างมีญาณเจ็ดเห็นมันรู้มันโอ้มันได้มันเป็นอย่างนี้ได้แล้วสบายสบายอย่างนี้เป็นอย่างนี้เนาะคุณก็อ่านรู้ว่าคุณเข้ากระแสคุณเองคุณเป็นโสตาปัณะแล้วนนี่ได้มาแล้วที่เข้ากระแสแล้วโอ้ได้ผลมาดีแล้วนี่เอาวิธิปฏิธรรมแม่แต่มันยังยึกยักอยู่นะั่งมันยังเอายังมียึดยั ก, ยกถอยหลังไปกับมันยังมันยังไม่แข็งแรง ยึดยักม so so so so so so so ันย so ังไม่ถึงขั้นนิยตะอาวินิปากธรรมในหมายเขามันไม่ตกต่ำหรอกคุณรู้แล้วว่ายังไงยังไงเราก็รู้ชัดแล้วเราไม่เอาเราไม่ไปตกลงไปอีกไม่เอาหรอกแต่คุณก็ยังไม่แข็งแรงยังไม่มั่นคงยึดยักษ์ทียักษบางนี่อวินิปากธรรมแต่ไม่ตกต่ำหรอกจนกระทั่งแข็งแรงนิยตะไม่มียึกยักษแล้วเมื่อตั้งหลักได้แล้วไม่ยึกยักแล้วคุณธรรมที่คุณได้นี้ มันก็มีแต่จะพุ่งไปข้างหน้าสัมโพธิปรายนะมันละเอียดละออจริงๆคำตายของพระเจ้านี่มันชัดเจนจริงๆเลยไม่ชัดขนาดนี้แล้วจะชัดขนาดไหนอาตมาอยากรู้นะข้อสำคัญฟังแล้วรู้เรื่องแล้วอ่านออกมันเป็นนามธรรมาจับสภาวะนั้นๆได้ไหมถ้าได้แล้วทาแล้วเราคุณจะรู้ว่าโอ้เราเป็นโสดาแล้วโสดาได้เหตุปัจจัยอะไรล่ะแค่เป็นอย่างๆอย่างๆก็ยังได้ หลายอย่างเขาก็บอกโอ้เรารู้แล้วล่ะคุณทำโซดาเป็นอย่างนี้อะไรที่มันต่ำมันชั่วคุณก็จะเข้าใจเลิกมันมาเธอนี่คุณก็เลิกกันมาได้สักเท่าไรเท่าไหร่แล้วล่ะแต่ยังไม่ชัดเจนแต่ว่ามันแล้วมันใจมันล้างจริงหรือเปล่าหรือมันมันทำได้หลวกๆลวัไม่สะอาดมันยังไม่มันไม่ชัดเจนมันยังไม่บริบูรณ์คุณก็พยายาม อ่านพยายามรู้ในชีวิตของคุณเนี่ยคุณไปเกี่ยวไปคล้องคุณต้องไปสัมผัสคุณจะต้องอยู่กับมันโดยธรรมชาติอย่างที่เรามาดูอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยคุณทิ้งมาเนี่ยอย่างผู้หญิงก็ทิ้งเครื่องแต่งตัวอาตมาว่าเครื่องแต่งตัวเป็นอบายยมุกอย่างยิง่งอย่างทุกวันนี้ยิ่งเป็นอบายยมุกมากมหาศาลหรือมันมอมเมามันให้คนหลงว่าบาบา บ, า บ, าบาโอ้คนมากมายอาตมาเห็นผู้หญิงแล้วนะไปหลงอะที่เขา ปรุงแต่งโอ้โหดิ่งดูในโทรทัศน์น่ะมันโฆษณามันอะไรบ้าๆบ่อะไรโอ้โหตมาว่ามันมหาศาลจริงๆนะหลอกไม่รู้จะหลอกยังไงผู้หญิงนี่ทาไมมันถึงได้โงอให้เขาหลอกได้ง่ายนักโอ้เยอะจริงๆนะแล้วก็หลงว่าเปนจริงมันเป็นความสุขถ้าได้อย่างนั้นเป็นความสุขอะไรเนี่ยเอาละเราเองเราก็ดูว่าอะไรเราไปหลงติดหลงเสพมาอยู่มันจะต้องเป็นสุขเป็นอะไรได้ คุณมาอยู่ที่นี่แล้วก็ที่นี่พอมันก็มีชีวิตอมประชารว่าคุณจะปิดหูปิดตาคุณก็พบสัมผัสกัมนมาเน่ยเขาจะยัวะย่วจะยวนใจงนงี้แล้วก็ดูสิใจเราสัมผัสแล้วนะมันอาการมันใจว่าอมันมีห้อยห้อ ย, หอยไหมภาษาอีสานห้อยห้อยน่จะแปลว่าอะไรเออมันห้อยห้อยห้อยห้อยเอแปลว่าอะไรกลุนกรุน หอยๆมันมันมีนิดๆหน่อยๆมันยังมีรสมีชาติแล้วมันลาริกรีอยู่อะลาริกรรีอยู่มันมีนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันมีไหมเหลือไหมอารมบการที่ว่ามันยังไปติดไปยึดมันยังเป็นแหมเปนอยากได้ก็เข้าอยู่มังจนกระทั่งมันเฉยๆสัมผัสแล้วก็รู้เข้าใจเข้าใจอะนะแ้วเราก็ไม่มีเลยอาการทางจิตของเราจะไปมีว่าเออมัน หลงว่แบบปรับปรายินดีกับมันมั่งไประเริงกับมันนลริกอะไรกับมันเป็นทุรีเริงทุรีเริงอะไรกับมันมั่งก็ไม่มีหรือว่ามันทุรีหมองก็ไม่มีอโศกะวิริชะก็ไม่มีมันก็เข้มมังเออมันสุขเกษมแล้วมันสบายแล้วมันปลอดภัยแล้วคุณก็อ่านอารมณ์ของคุณเวลาคุณผัสสะมีสติสัพพัญญามีสติสัมปวชงรู้ตัวอออนี้มันผัสสะงี้อ่านเข้าไปในใจมันปรุงไหม มันมีอะไรไหมมันมีแบบแบบไหมมันมีอะไรมันเป็นอวิมุตจรนไหมมันเป็นยังไงไหมมันตั้งมั่นดีไหมมันสมาหิตะมันตั้งมั่นแข็งแรงดีจริงไหมเออมันตั้งมั่นแข็งแรงไม่มีเศษจอนเศษไหวเศษว่าอะไรเลยยังก็รู้เองเหตุปัจจัยที่มันเป็นแค่อาบายมุขโขนโลดโงนอกก็โทษแค่บุรีแค่เล่าจิตของเราเป็นประมาจเลยเป็น อ<บ> ร, <PTSD> รหัตตะพนกบุรีอรหัตตะพกับเหล่าอรหัตผลกับสิ่งโตเอ้โลก่งๆมันก็รู้ดีหมากพลูบุรีของเสพติดหยาบหยาบอ่านใจเราออกเลยว่ามัมีมุดชัดๆนี่เราคือติดจิตติเสพอยู่มันมีสวรรค์โลวงๆสวรรค์โล่งๆสวรรค์หอห่อสวรรค์โลกีต้องเสพต้องสุกโลกีจะสุกนี่มันมีแล้วไม่มีแล้วยากไม่มีติดไม่มีอะไรแล้วชัดแล้วมีปัญญาญานรู้แล้วระงับสกิดว่างเป็น อรหัตผลในโซดาในแค่วัตถุนอกกายนอกกายหยับหยาบเราก็รู้แล้วลึกเข้าไปสูงเข้าไปละเอียดเข้าไปสูงเข้าไปเป็นลําดับลําดับกายอบายหมดจับหยาบของระดับสิ่งเสพติดสิ่งที่เป็นโลกๆกที่มันต้องไปเสพไปติดอย่างโลกโลกดับได้เป็นลาบยศสั้นเซินอะไรอะไรก็เอาละไม่ต้องไปเป็นแล้วเสดทิ้ง จังงบนอย่างนี้อะไรจังไปสั่งสมลาบสั่งสมยศจังไปลงสันเสริญอะไรอย่างนี้เป็นตน้นคุณก็ทําได้อีกก็ไล่ขึ้นมาตามระดับตามระดับมีฐานลงโซดาแล้วทีนี้มันก็สกิทาอนาคามกะละเอียดขึ้นมาจากวัตถุโลกจากของที่เป็นโลกีจากสิ่งที่เป็นโลกีแบบสูงชั้นสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาจนกระทั่งอยู่กับหมวกกับกลุ่มมีอะไรอะไรขึ้นมาเรื่อย มันก็จะรู้ซ้อนกันมาเป็นโลกกรโลกกิยะโลกโลกระท8แปมีโลกแห่งกามคุณหามีโลกแห่งอัตตามาณไรละเอียด้าไปสูงก็ไปถึงอัตตาถึงมาณนะละเอียด้าไปคนก็จะรู้สังโยชนห้าสังโยชน10บชัดเจนมันยังมีการมราคาเท่าไรปฏิฆาเท่าไหร่กับ จนกระทั่งมันไม่มีการมาราคากับอะไรอะไรในโลกตั้งแต่ผู้หญิงผู้ชายจนกระั้งถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันก็ลดไปลดไปลดไปปฏิฆะก็ไอ้สิ่งเดียวกันนี่แหละเพราะเหตุแห่งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็เกิดปฏิฆะได้คนเขานิยมชมชื่นคือเขาไม่ใช่เราแต่เราไปปฏิฆะเขาปฏิฆะไอ้คนนี้มันโง่ไปเบ่งไปข่มเป็นมานะซ้อนไม่ติดไปยึดจู แล้วก็หงุดหงิด ต, ตัวเองตำคาญตัวเองคือเสือกอะ่ะไปยุ่งกับเขาอะ่ะคือมันแบ่งเขาแบ่งเราไม่ออกอะ่ะไปยุ่งกับเขาแล้วก็ไปโกรธไปเคืองเขาไปถือเขาถือสาเขาเขามีเงินนอย่างนี้อะไรอย่างนี้เป็นตน้นหรือว่าเอาละอันนี้เป็นเพื่อนเราเราทําได้แล้วเพื่อนเรามันไม่ได้เพราะมันยึดว่าเพื่อนเราเป็นเพื่อนเราหรือนี่เป็นลูกเรา เราได้แล้วไอ้อลูกมันไม่ได้ครัพุทธะ น, น, นยึดเป็นลูกเรามากเกินไปลูกมันไม่ได้ดังใจมันก็โกรธก็เคืองก็ถือสาก็รุนแรงอย่างงี้ก็เป็นโทสะเป็นปฏิฆะเราก็รู้จนกระทั่งถึงไม่ชอบใจอรารติใจไม่ชอบแม่เขาไม่ดีอยู่เราก็ไม่ชอบไม่แรงแล้วละ่ะก็ต้องรู้ว่ามันไม่ปฏิฆะแล้วมันก็มีเบาๆบางๆก็ต้อง ถือเป็นรูปราคาอารูปราคะหรือว่าเป็นสภาพที่ยังยึดติดอยู่อย่างขั้นรูปขั้นอารูปเป็นรูปประพบอารูปประพบพอพูดถึงขั้นรูปประพบอรูปประอะรูปประพบขึ้นมามีคําถามมาว่าจะทําใจให้แยบคายอย่างไรที่จะทําจิตให้เข้าสู่อากาสานัญจายตนะและวิญญาณบรจายตนะเพราะเมื่อเคยได้แล้วะจะรู้ขึ้นจะรู้ขั้นตอนเมื่อจิตใกล้ถึง ก็จะอดดีใจอดรุ้นไม่ได้ใจก็คลี่คลายแยกออกเป็นหลงก็เข้าสู่สภาวะที่เคยได้แล้วไม่ได้อีกอนี่คงถามมาในเรื่องของสภาพของเจโตสมาะนั่งสกดจิตแล้วก็จะไปอากาสาได้อกากาส า, า, านัญจายตนะได้ต้องได้รูปประชานก่อนคือหมายความว่าอา่านอารมณ์แล้วก็ไม่ให้มีนิวรธาสกดไว้ ไม่มีนิวรณห้าในจิตได้ทำนั่งสมาธิแล้วก็จิตว่างไม่มีนิวรณห้าไม่มีนิวรณ์ห้าแต่มีความคิดแต่สภาพนั้นไม่เป็นสภาพที่เป็นอรูปเป็นใสอากาสามันก็จะมีความคิดใสโปร่งอ่านอารมณ์ของตัวเองก็ไม่มีไม่มีการไม่มีพยาบาทไม่มีนิวรณ์ไม่มีทีนมิตะไม่มีอุตจักอะไรจะคิดอะไรก็คิดได้นี่แหละเขาบอกว่าปรุงจิต ไม่จะปรุงจิตเขาบอกยกจิตขึ้นสู่วิปัสนาเขาสอนกันทางสายนั่งหลับตาตอนนี้ยกจิตขึ้นสู่วิปัสนาเขาว่ากันนะตอนนี้ไม่มีนิวรณ์แล้วกยกจิตขึ้นคิดนั่นเองเขาก็จะยกเรื่องอะไรอะไรขึ้นมาเป็นต้นเรื่องแล้วก็คิดไปมันก็จะเข้าใจอะไรดีเพราะมันไม่มีนิวรณ์คิดอันนี้ก็โลง่งอันนี้ก็เข้าใจได้เกลีวได้เก่งโอ้ฉลาดเขาก็ว่านี่แหละคือปัญญาทางธรรมเขาบอกนันนะนี่ยคือปัญญาต้องทําชาญให้ได้ก่อนแล้วจะเกิดปัญญา เขอธิบายกันอย่างนั้นตอนนี้ไม่ใช่อากาศสารนันญาเยตะนะนันนี่ฌานของฤษีนะฌานเจโตสมสถาตาเขาก็จะคิดเขาก็จะอะไรหรือว่าจิตเขาจะทําว่างไม่ใช่ว่าอะไรเขาจะอยู่ว่างวงว่างว่ามันก็ไม่ว่างใสเป็นอากาศาอีกอย่างหนึ่งหรอกมันก็จะว่างอยู่ไม่มีนี่วอนห้านั่นแหละแล้วว่างคนก็มีสีสันจะบางทีก็เล่นสีเล่นแสงเล่ น, ล น, ลนอะไรไปสีม่วงสีแดงสีเขียวสีเหลืองอะไรไปเฉยว่างๆงไปได้นั่น รูปประจานสถ้าทําได้มั่นคงได้เที่ยงได้เก่งได้ชํานาญแล้วมันก็จะอยู่ว่างๆว่างๆคิดนนท์คิดนี่อะไรก็คิดไม่คิดอกุศลก็คิดกุศลไปคิดนนท์คิดนี่จะปรุงเรื่องปรุงราวเอานั้นนี่มาคิดก็จะเกิดประโยชน์จิตมันว่างมาคิดอะไรได้ดีมันเป็นพลังชนิดหนึ่งทีนี้อารูปประจานั้นคือแม้แต่คิดเราก็ไม่คิดเราก็จะดับไม่คิดไม่นึกไม่หมีอะไรให้มัน เฉยไปกว่านั้นเลยก็พยายามสะกดจิตให้มันไม่คิดไม่นึกไม่อะไรเลยให้มันมีเขาจึงอธิบายในภาษาของพวกฌานอรูปว่ากําหนดอากาสากําหนดว่างโล่งสว่างไม่มีที่สิ้นสุดว่าั้นะกาหนดให้โรงว่างไม่ที่สิ้นสุดก็จะกําหนดใจไม่คิดไม่นึกไม่มีอะไรไม่มันว่างโล่งเฉยๆไม่มีอะไรอีกเลยไม่มีอะไรอีกเลยแต่ว่าให้มันสว่างนะ ให้มันสว่างให้มันรู้ว่างโล่งไปไม่มีที่ติดขัดอะไรเลยทําใจสมุติอย่างนั้นทําไปทำไมถ้าสะกดไว้ได้สะกดได้จริงมันก็จะขึ้นสู่สภาพอรูปฌานสว่างโล่งหมดเลยสว่างถ้าใครเคยทําได้ก็จะรู้ว่าโอ้โหแต่ตอนที่มันสว่างมันสะกดสภาพที่ว่ามีเรา มีรู้เรากำหนดรู้อะไรและมีเราไปกำหนดรู้อยู่มันไม่มีตรงนั้นมันก็จะข้ามขั้นนั้นขึ้นมาสูงมันจะรู้สึกว่างโลกหมดเลยมันจะอยู่ได้เป็นนานเท่าไรหรอกว่างสว่างโลกมันจะต่างกันมากเลยกับรูปฌานมันถึงจะรู้ว่ามันเปลี่ยนภพคนทำจะรู้คนไม่ทำไม่รู้เรื่องหรอกนี่แม้ฌานฤษีนะี่เขานี่กำลังอธิบายฌานฤษีเดี๋ยวจะอธิบายฌานโลกุตระ อากาศสาโลกุตระเป็นยังไงวิญญาณัญจาลกุตระเป็นยังไงดจะอธิบายววลามหมดแล้วอละอากาสาเนี่ยมันจะอยู่ว่างไม่นานไม่นานหรอกอาตมาไม่รู้นะเขา อ, อาตมาเองมันไม่นานมันจะรู้ตัวว่าเราอ๋อเราอยู่ในภพนี้เป็นอรูปภพสเวสวยสภาพไม่คิดไม่นึกไม่อะไรว่างโล่งโปรง่งไปหมดเลยโอ้โหมันว่างมันสบายจริง รู้ว่าเรานั่นคือวิญญาณันญาจัตตุนาพรู้ว่าเราเป็นเราน่นคือวิญญาณลคืออัตตาชนิดหนึ่งแล้วเราอ้อเราอยู่ในภพนี้อยู่ในอรูปภพอยู่ในภพที่อากาศสารนี่มันซ่อนกันอากาศาก็คือสภาพว่างเราอยู่ในว่างนั้นวิญญาณัญจายัตตุนาสูงไปกว่านั้นอีกก็เอ๊ะมันก็ยังมีเราอยู่นี่เรายังเสวยภพอรูปบังว่างลงล ง, ลงสว่างไว้หมดเนี่ย ไม่ได้หรอกมันก็ยังรู้มันก็ยังมีเราดับไม่รู้อิบอยู่ในอรูปทีนี้อากินจัญญาจตนะไม่ให้มีอะไรเลยนิดนึงน้อยนึงไม่ให้มีเลยไปดับในนั้นอีกทีหนึ่งอากินจัญญาจะตระนดับไม่รู้สว่างไม่รู้เราไม่รู้อะไรไม่รับรู้เลยดับไปอีกก็สะกดจิตนั่นเองสะกดให้มันดับสนิทไปเลยสะกดได้ก็เป็นอากินจัญญาจตระ แต่ความจริงแล้วธาตุจิตมันไม่ได้มันก็ต้องมีธาตุรู้จนได้คุณจะสะกดไปยังไงมันก็จะต้องรู้ขึ้นมาจนได้มันก็จะต้องทํางานธาตุจิตมันคือธาตุรู้มันจะต้องรู้ตัวมันมีตัวเรามันมีอัตตาเรายังไม่ได้ดับศูนย์เรายังไม่ได้ไปสลายเรายังไม่ได้เป็นอรหันต์้วยซ้ําไปเรายังไม่ปรินิพานมันยังมีธาตุรู้เราก็จะต้องขึ้นมารู้จนได้แต่ถ้เมื่อคิดว่าตัวเองจะต้องดับ เ ร, เราก็ต้องดับเป็นอกินจาอีกละดับพะรู้ก็ดับพะรู้ก็ดับรู้ก็ดับเลยกลายว่าจะรู้มันก็ไม่ให้รู้จะดับมันก็จะต้องมไม่รู้มันก็เลยรู้ดับรู้ดัรู้ดับรู้ดรูดับซึ่งมันละเอียดลิบเลยเนี่ยวันนว้สัญญานาสัญญากําหนดรู้มั่งไม่รู้มัง่งจะบารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่เชิงนั่นคือสภาพเนื้อวัฏญานาสัญญาจัตนาเพราะฉะนั้นคุณจะอยู่ตรงไหนคุณก็นึกเอาคุณจะเป็นฤาษีอาลานดาบท อ, อุทกดาบก็อยู่แค่เนี้ย อันนี้อรูปฌานแบบฤษีทีนี้แบบพุทธแบบพุทธก็ปฏิบัติฌาน4ี่ที่อาตมาเคยบอกให้มันไม่ให้มันรู้จริงฌานก็คือมุทุภูตกรรมิเยทีเตอเนชัปเตน่ะให้มันมีจิตแวววายรู้แล้วก็มีสภาพสังกัปวาจากรรมตะอาชีวะทําการํำงานเนกมันก็มีกรรมนียะกรรมิเย์แล้วก็สัพพสะ ละกิเลสได้ไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆจนกระทั่งมันหมดกิเลสกิเลสมันบางจางไปยังลดน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงซื้ออธิบายว่าถ้าเป็นสังโยชน์สามมันก็จะมีกิเลสลด ล, ดลงไปขนาดหนึ่งปิโสดาสกาิทาก็คือทำโลภหรือโกรธราคะอรือโทสา ข, ของตัวเองที่เหลืออยู่ให้มันหมดไป เพราะฉะนนถ้าเราอ่านกิเลส ก, กิเลสเหตุปัจจัยไดล่ะมันอ้อมันจางบางขนาดนี้แล้วแต่มันยังมีฤทธิ์ทำให้เราหมุนเวียนกลับไปเลยยึกจักจึ๊กยั ก, ก, ย ก, กอยู่มันหยาบจนกระทั่งมันเป็นราคาเรือเป็นโทสะหรือเป็นการเป็นปฏิฆาเนี่ยลดจางจนกระทั่งหมดมันไม่หมดหรอกแต่ว่ามันจนกระทั่งรู้เลยว่ามันไม่มีฤทธิล์ละขึ้นสู่อรูปภพขึ้นสู่อรูป ขึ้นสู่ขั้นสังโยชน์เบื้องสูงเป็นรูปประพบอรูปประพบข้ามอีกพบหนึ่งข้ามอีกขั้นหนึ่งโอรอมภาคีสังโยชน์สังโยชน่าปฏิฆะกับการมราคะมันเป็นอาการขนาดนี้ถือว่าเป็นระดับรูปประฌานมันยาบทำให้เราเกิดได้ แต่ถ้าถึงขั้นที่ว่าทำให้เราเกิดไม่ได้ถึงบอกว่าถ้าอนาคา ม, มีภูมิมีสังโยชน์เบื้องสูงนี่ทําให้เราเกิดไม่ได้กิเลสอย่างนี้เกิดอีกไม่ได้คุณจะต้องประมาณรู้งคุณเลยว่ามันเหมือนที่อาตมาบอกแล้วว่าแม้มันจะเหลือเป็นรูปราคะก็ตามมันก็ทําให้คุณเกิดอารมณ์เกิดอาการเกิดที่จะต้องออกมาทางนอกเกิดมาเป็นกามาพไม่ได้หรอกมันจะอยู่ในใจเราเท่านั้นแล้วเราจะรู้สึก ไม่ชอบใจตัวเองถ้ากิเลสนี่มามันจะรู้ถ้าคุณปล่อยประละเลยไม่ตามรู้มันมันก็จะมีและมันมีอยู่ในี่ยนคุณจะไม่สบายใจมันจะเกิดสภาพไม่ใช่สุขมันเป็นทุกข์มันจะรู้ทุกชัดเลยว่าราคะอย่างเหลือมันเป็นทุกข์ แต่มันไม่ทําให้เราเกิดได้เหมือนที่อาตมาสมมุติว่เาเหมือนกับหม้อแบตเตอรี่ที่ไฟมันตกหมดแล้วมันอ่อนแล้วเอามาสตาร์เครื่องมันสตาร์ไม่ติดหรือรูปราคันเงีงมันไม่ติดสตาร์ยังไงมันก็สตาร์ไม่ติดพลังงานมันจะหมดแล้วอาตมาก็เทียบกันรูปธรรมให้ฟังเนี่ยนั่นคือรูปราคะนั่นละขึ้นสู่สภาพที่จะเป็นอาการะสาราญาติ น, นะนขึ้นไปแล้ว นันว่างแล้วถือว่าว่างเพราะฉะนั้นอนาคามีแม้จะคุณจะไม่ปฏิบัติมันก็จะจางคลายไปเองหายไปเองแม้คุณไม่ปฏิบัติก็จะจางคลายหายไปเองแต่นานมากอย่าไปประมาทเป็นอันขาดทำไมกับคุณที่จะต้องปฏิบัติให้มันลดไปเลยให้มันหมดไปเลยมันไม่ดีกว่าเลยสะอาดบริสุทธิ์ไม่ดีกว่าเเพราะฉะนั้นอย่าประมาทเป็นอนาคามีภูมิก็อย่าประมาทลดพยายามลดให้ได้ รู้มาก็อย่าไปประมาทมีวิธีก็ทําให้มันจางคลายเพราะยิ่งเป็นอรูปราคะก็ยิ่งเดียวย่าเยี๋ว่าแต่งแงวเลยสตาร์ชักหนีชักจีไม่เกิดแรงอะไรเลยอรูปราคะมันไม่มีทางพาให้คุณเกิดในกามมาพบอีกเป็นอันขาดหรือว่าในเรื่องของโล ก, กิยาหยับหยาบอย่างนี้มันไม่มีแรงกริงคุณจะต้องประมาณอ่านชัดเจนเลยเสร็จแล้วนอกนั้นมานะ อุทจจะที่เป็นสังโยชน์เบื้องสูงนั้นถ้าคุณได้ดีแล้วคุณก็เป็นลงดีมาน้าแล้วว่าการถือดีได้ดีแล้วคุณก็เอาดีนี่แหละมาเบงมาคมมาทําอะไรไม่ถูกต้องมาทําอะไรมันไม่ค่อยจะลงตัวคุณต้องมาปรับความดีของคุณความดีของคุณนี่เราจะจัดการจะมาใช้กับโลกเขาจะใช้กับคนอื่น สัมพันธ์กับคนอื่นคุณมีความดีเข้ามาเคารพตัวมั่งตัวเองกับพยองยิ่งถือดีถือตัวอะไรขึ้นมาทําอย่งงายงงุ่นอย่างนี้ไปข่มไปเบ่งไปอะไรนั่นคือลักษณะมานะทั้งนั้นมานะนี่เป็นคุณลักษณะดีแต่มันซ้อนเลวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะในภาษาไทยเราเนี่ยมาใช้ในความหมายว่าไม่มีมานะเลยหมายคําว่าไม่มีอุตสาหะวิญญาณที่จะไปทําสิ่งที่ดีให้มันได้เรียกว่าไม่มีมานะ พอคุณได้แล้วคุณก็ได้สิ่งนั้นมานะก็มาจากรากษา m a n ะจิตนั่นแหละคุณได้แล้วในจิตแล้วคุณก็อย่าเอาจิตที่ดีอันนี้ไปซ่อนที่มันเลวจะเลวในลักษณะไหนก็นแล้วแต่นั่นคือลักษณะของมา n ะที่เป็นตัวอกุศลพญายพระอนาคามีมา n ะของพระอนาคามีนะั้นเป็นกุศลเยอะแล้ว ท่านก็มีสิ่งที่มันไม่งามมันไม่ได้สัสดส่วนปรับมันมาใช้ประโยชน์กับคนนั้นคนนี้เขาไม่ได้ส่วนสิ่งที่ดีมันก็เป็นลักษณะมานะปรับละเอียดละออแล้วลเราก็ไปยึดติดอยู่ในพวกนี้สิ่งดียึดเกินไปยึดมากไปทําให้เนนมากไปเอากระเขามากเอาจะแ ข, ข่งกระเขามากไปจะต้องไปรังแครังคัดกระเขาหนักเกินไปอะไรต่างๆนานานีน่ยเขาต้องประมาณจัดสัสดส่วนให้มันได้สมดุลที่ดีที่สุด ในขั้นนี้เรียกว่าขั้นอรูปภพอรูปฌานอาการาสะอาดสว่างอะไรของคุณก็มีวิญญาณตัวจิตวิญญาณตัวปรับจิตวิญญาณให้ดีเพราะฉะนั้นคุณจะทําให้สะอาดไม่ใช่ดับดับอกินจัญญายจตนาก็คือดับเศษส่วนทุลีละอองสิ่งที่มันขาดมันเหลือสิ่งที่มันไม่ไม่พอดีไม่สมบูรณ์ให้หมดให้ได้สุดท้ายในวาสัญญาณสัญญาจตนาของพุทธไม่มี มีก็คือสิ่งที่คุณยังไม่สมบูรณ์คุณสมบูรณ์เมื่อไหร่เนวะสัญญานาสัญญาคือจะว่ารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่เชิงหรือว่าฉลาดก็ไม่ใช่จะไม่ฉลาดก็ไม่ใช่ไม่มีฉลาดสุดเป็นสัญญาเวทยิตานิโรธเรียกว่าดับชนิดที่มีสัญญากำหนดรู้เข้าเคลียอารมณ์เวทยิตาแปลว่าการเข้าเคลียอารมณ์มีสัญญาเข้าเคลียอารมณ์อย่างรอบทวนสนิหมดสะอาดหมด ดับสนิทไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะงั้นไอ้ที่คุ้มเครือไอ้ที่ยังไม่ชัดไม่เจนในวาสัานาสัญญาจะวารู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่เชิงจะว่าไรไม่มีมีแต่รู้แจ้งรู้จริงรู้ชัดรู้รอบนี่คือพุทเพราะฉะนั้นอากินจัญญาเจตนะคือดับไม่เหลือนิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่เหลือไม่มี นั่นคือตัวดับแท้เพราะฉะนั้นอากาสาก็คือในสิ่งสว่างในสิ่งที่แจ้งในสิ่งที่ชัดคุณรู้ให้หมดเลยวิญญาณมันจะรู้อะไรอะไรที่จะกําหนดรู้รู้มันให้ชัดเลยวิญญาณคือธาตุรู้มีเจตสิกสามเป็นเป็นลูกลูกลกน้องมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นมีมีเวทนาสัญญาสังขาร เ, เ, เป็นลูกน้องของวิญญาณรู้ให้หมดแล้วรู้ก็ก็ทําให้อัจะดับ อากินจัญญะยาจตนะดับให้เกลี้ยงไอ้ที่จะรู้รู้ให้ชัดในวาสัญญานาสัญญาต้องพน้นพ้นในวาสัญญานาสัญญาเป็นสัญญาเวทยียะตนิโรธนี่ของพุทธเข้าใจความหมายไหมเข้าใจความหมายแล้วไปทําให้ตรงสภาวะนี้แล้วก็คือเป็นอรูปฌานพุทธลืมตาปฏิบัติมัดองแปดไม่ใช่มานั่งสะกดจิตเท่านั้น ม, ม, ม, ม, ม, มึนมไหมมึนมึนไหมสมณะทั้งหลายมึนไหมโอ้โหอาหังการู้เหรอที่พูดนี่เข้าใจเหรอฮะโอ้โห ทำไมอาตมาโชคดียอย่างนี้มีคนฟังความพวกนี้รู้เรื่องแล้วเอาไปปฏิบัติเอาไปปฏิบัติได้ไหมเนี่ยข้อที่สามถามมาว่าสภาวะจิตที่เลยข้อสองเลยข้ออนี่อธิบายข้อสองไปจบแล้วเมื่อกี้รูปรนะรประชานารูปประชานอย่างพุทธอย่างโลกฤาษีเลยข้อสองไปแล้วจะเป็นอยู่อย่างไรอาถ้าเป็นอย่างพุทธก็สบายไป อ, อรหัตผล น, นะสิถ้าเป็นฤาษีก็ยังงมโคงอยู่ต่อไป พระอาจาพรตรจ่าถึงบอกว่าอาล า, านดาวโบสอุทกดาบสตายไปแล้วโอ้ยเวนประจมอยู่ในภพภูมินั่นอีกนานเท่าไหร่เลยจิตในอุรุปภพอีกนานเท่าไหร่กว่าจะไปเสพจิตอยู่ยนั่นน่ะคืออาตมาอาธิบายฟังแล้วว่าจิตวิญญาณของมนุษย์เนี่ยเหมือนคุณนอนหลับแล้วมันก็จิตวิญญาณ น, นั่นถ้าคุณเป็นหลงสมมุติว่าคุณไปหลงในอากินจัญ ญ, ญาญตนะในวัสยาย ญ, ญาตนะในหลับมันนะแล้วคุณก็ตายไป คุณก็จะอยู่อย่างนั้นแหละคุณไม่มีแล้วลูกน้ำขันห้าคุณไม่มีทางจะออกแล้วคุณจะออกมาสู่ตาหูจมูกริางกายไม่มีแล้วคุณก็จะอยู่กับจิตของคุณอย่านั้คนคุณก็จะอยู่ก็ไอ้แล้วมันอร่อยอะ่ะอร่อยแล้วก็ลึกเหลือเกินอะ่ะกินจัญญากันณีวัฏฏายาคุณก็จะอยู่ยังได้ไปอีกโอ้โหอัตมาไม่รู้จะนับกาละกี่โยอกี่ไม่ใช่กี่โยอกี่กี่กลับโหมันจะจมอยู่ตรงนั้นอีกอกี่กลับพระพุทธเจ้าถึงบอกโอ้โหคนนี้ แน่นอนเขาได้นี่เขต้องตายกับจิตตัวนี้แนะ่เพราะตัวนี้เป็นตัวที่สูงสุดอย่างทงางอาจรรารย์รรมั่นสาอาจารย์มั่นหรือศรอะไรพวกนี้อัตมาก็สงสารใครอ่านที่มหาบัวเขียนอาจารย์มัน่นที่บอกว่าเวลาอาจารย์มั่นจะตายก็เหมือนกันนะก็เข้าไปในภพของฌานที่ตัวเองได้นะรูปฌานนะรูปฌานนะเขาไปแล้วก็จะไปตายกับจิตตัวนั้น ตายกัจติตตนั้นก็คือคุณนอนหลับเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีทางที่จะฟื้นขึ้นมาหารูปขันข้างนอกเลยเอพบข้างนอกเลยคุณก็จะจมอยู่อย่างนั้นไปอีกนานเท่าไหร่ไม่มีอะไรรบกวนคุณแล้วไม่มีอะไรไปกระทบสัมผัสเพราะคุณจะมีไม่มีอะไรให้กระทบสัมผัสเพราะคุณไม่มีขันหน้าคุณไม่มีดินน้ำลมไฟคุณไม่มีอะไรเลยแล้วจะตวิญญาณมันก็จะ แล้วจินตยานมันไม่ไปชนกันบอกแล้วว่าจินตยาณมันมีใครไปเห็นอันนั้นเค็นนี้นะขี้โกโหกเท่านั้นนะอันตายไปแล้วเห็ น, น, นอุปท า, านของตัวเองนั้นเลยตัวเองจะไปอยู่อย่างนั้นน่ะจะฟุ้งซ่านจะขึ้นมาฟุ้งซ่านอะไรก็ฟุ้งซ่านอยู่ในจิตของตัวเองจะไม่ฟุ้งซ่านจะไปติดสงบอยู่อย่างนั้นก็อยู่อย่างนั้นน่ะอีกนานเท่านานเลยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าฉิบหายใหญ่แล้วนอเ น, นี่ยช่วยไม่ได้แล้วมันจะไปช่วยยังไงต้องตัวเองช่วยตัวเองไปเฮะน้าฟสงสาร พวกนั่งสะกดจิตแล้ก็กกไปติดอย่างนี้นานมากเลยรู้ทำไงอ่ะอละมันเลยเวลาไป5นาที6นาทีแล้วก็แสดงธรรมกับพวกเราในเรื่องของการเพิ่มภูมิหลักเดิมเดิมหลักเก่ า, กาแต่พยายามมันมาพยายามที่จะอธิบายรายละเอียดด้วยความลึกซึ้งอะไรต่อไปใส่ใจฟังทำถ้าไม่ได้ฟังนี่ก็เอาเทปไปฟัง ใช่อรูปราคะา <ric ructure. S 1> สตาร์ทไม่ติ ด, ต น, ตตดนอกจากสตาร์ไม่ติดแล้วสตาร์จะไม่มีเสียงเลยนะครับ อ, <ee. S 1> อรูปราคะสตาร์ทมันมีเล็กน้อยอรูปราคะอรูปราคะนั่นคือสังโยชน์ขั้นเป็นอุดตธรมภาคียสังโยชน์สังโยชน์ข้อที่6กที่เรูปราคะข้อที่หอรูปราคะข้อที่ ตัดส่วนแล้วพวกที่เป็นอนาคามีภูมินี่แหละคืออรูปคืออรูปพระพรมภูมิข้างล่างนี่มันรูปประพรมคุณสามารถทําได้ไหมละ่ะคุณเป็นพระพรมที่แท้ไหมละ่ะพรหมจรนท์ที่แท้ไหมละ่ะประพุทธเรียนรู้สังโยชน์ห้านี่ให้ได้ถ้าคุณเรียนรู้ได้คุณก็เป็นพระพรมที่แท้จริงพระพรมที่แท้จริงก็คือพรหมจันทร์ของพุทธนี่แหละธรรมวินัยของพุทธนี่แหละปฏิบัติสังโยชน์ห่านี่ได้นี่คือ โอรัม บ, บคยาสังโยนี่คือรู ป, ปพระพรหมคุณเข้าก็แสพระคุณก็เป็นรู ป, ปพระพรหมไปเรื่อยเป็นพระพรหมพระพรหมจะตั้งแต่พระพรหมมีเมีย ม, มีมีมีสักมีสักกะมีเมียจนกระทั่งพระพรหมไม่มีเมียศีลแปพระพรหมศีลห้าพระพรหมศีลแปจนกระทั่งหมดการมาราคะอาราราคะถึงเป็นอรู ป, ปพระพรหม อ้าวา ต, ต่ถามต่อก็เอาตรงนี้ต่อเข้าไปอีกหน่อยหนึง่งถามไว้เพื่อว่าคนฟังจะได้ไม่สับสนอ้าวดีอ้าวใช่มันมีคําว่ารูปราคะแต่อัตมาตัดเป็นอรูปภพใช่ไหมเป็นพุทธนี่เป็นตัดเป็นอรูปภพให้ฟังแต่ก็ขยายความให้ฟังแล้วค่อยฟังอีกฟังในมุมใหม่ในลักษณะการอธิบายในภาษาสัมนวนนิรุติปฏิพานแบบใหม่อีกแบบนี้อธิบายไปเที่ยวหนึ่ง เทียวใหม่ก็อธิบายอีกเอาแบบใหม่อีกอะละวันนี้ก็ได้เรียนลึกซึ้งไปอีกอันนึงเราต้องพยายามนะอาตมาเองอาตมาบอกกลองว่าอยากจะได้อรหันถึง9องค์แล้วเราก็ต้องภาคเพียรพวกเรานี่ต้องภาคเพียรต่อบอกแล้วตั้งแต่ต้นแล้วว่าถ้าเอาแต่เฉยเฉยเรื่อเรเฉยๆฉยไม่เอาการเอางานมันไม่เข้ามรรคแนะมันไม่สันกรปาวจากรรมตาอาชีวะมันต้องมีอาชีวะแล้วอยู่ในมุดมิดดีสาดีเนี่ยมันไม่ไปออกเป็นนอกกระไรหรอก มันไม่นอกหรอกเพราะมิตรดีสหายดีของเรานี่อยู่ในแวดวงอาตมาดูแลคุมเกมอยู่กายนอกกายจะมากไปขนาดไหนอาตมาตัดรอบมันอยู่มากเกินไปไม่เอามากเกินไปเราขยายยังไม่ได้ยังไม่ขยายอะไรขยายได้อาตมาจะพาขยายเขยอาตมาควบคุมอยู่ควบคุมโลกทั้งโลกอยู่นี่คุณจะขยายจั ก, กรวาลไปใหญ่เท่าไหร่ต้องดูแล้วว่าเรามีริษแรงพอจะขยายจั ก, กรวาล น, นี้ได้ไหมขยายยังไม่ได้ไม่ได้อันเนี้ย พูดเป็นภาษานี้ฟังให้ดีๆไม่ใช่ว่าอาตมางมงามไม่รู้ว่าโอ้นี่อนุโลมไปแล้วขยายมากไปแล้วอาตมาเองอาตมาต้องประมาณต้องคุมให้ดีถ้าไม่ดีเราพังพวกเราบางคนมีนิสัยมีจริตอยากจะออกมากๆอยากจะแหมเป็นประโยชน์แต่คนอื่นเจตนาดีนะต้องเชื่อมต่อเข้าไปไหมต้องช่วยเขามากๆช่วยเขามากๆเราตายเดี๋ยวเราแรงไม่พอตกบอ่อตายที่อาตมาเคยยกตัวอย่างว่าจะช่วยคนตกบอ่อ คุณต้องมีหลักยึดทิศแรงนะยืดลงไปได้ยาวขนาดนี้ถ้ายืดอะไรติตีนลอยแล้วนะตกตกบอ่อเข้าไปเลยนะเขาชุดได้เราต้องมั่นใจต้องรู้ขนาดที่เราจะประมาณว่าเราจะช่วยคนตกบอ่อเนี่ยเราจะต้องยื ด, ย, ดยืดจุ่นได้แค่ขนาดไหนยืดลงไปกว่านั้นไม่ได้ต้องออกแค่นั้นปล่อยเขาตายต่อหน้ า, ต, ต, ต, าต่อตาก็ต้องยอมเพราะเรายังไม่ได้แต่ถ้าเราได้แล้วเราก็พยายามไปได้เท่าที่ควรนะซึ่งพวกนี้อะ ยกตัวอย่างเป็นรูปธปรรมให้ฟังเท่านั้นอรูปธปรรมมันลึกซึ้งนะมันมีอะไรรอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ดูแลไม่รู้อาตมาใช้สัมปริสธรรมเจ็ดประการอยู่เสมอนะอะสหรับวันวนี้เกิดไปแล้วสิบนาทีเอวัง